บทที่ 7. หลักวิชาและการปฏิบัติขั้นสูงในทิเบตกล่าวโดยทั่วไปพระในทิเบตแบ่งออกเป็นสองพวกพวกปฏิบัติพวกหนึ่งพวกนักศึกษาพวกหนึ่งพวกปฏิบัติไม่มีความมุ่งหมายอื่นใดมากไปกว่าพวกที่จะปฏิบัติตามหลักพระวินยัยเพื่อความสุขทางใจและเพื่อหวังผลเลิศในการข้างหน้า เช่นสวรรค์นิพพานพวกนี้ไม่มีสนใจในการศึกษาให้ลึกซึง้งเป็นแต่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์โดยเชื่อว่าการปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลถึงจะมีความรู้มากมายแต่ไม่ปฏิบัติไม่บรรลุมรผลอย่างใดและเมื่อมุ่งหมายในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรู้มากเพราะความรู้มากนั้นอาจจะทาให้ความคิดแชเชืออ ผิดไปจากคําสอนของครูอาจารย์ได้แล้วก็จะทําให้ทางปฏิบัติเสียไปด้วยทําตามคําสอนของครูอาจารย์ก็พอแล้วพวกนี้เป็นพวกที่อยู่เงียบๆมุ่งหาแต่ความสุขทางใจและเล็งผลเลิศในภายหน้าด้วยการปฏิบัติเท่านั้นพวกนี้เป็นพวกปฏิบัติส่วนพวกที่สองคือพวกนักศึกษานั้นเป็นพวกปริยัตเรียนหลักธรรมและอักษ ร, รศาสตร์อย่างกว้างขวา ง, วางเรียนเพื่อเป็นปราชถน ทางปฏิบัติของพวกนี้อาจจะย่อนกว่าพวกต้นเพราะมุ่งแต่ความรู้สึกเป็นข้อสำคัญและเมื่อเรียนมากรู้มากความคิดนึกหาเหตุผลก็มีมากขึ้นบางทีก็มีความเห็นแตกแยกไปจากคำภีหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ตลอดถึงมีความคิดที่จะตั้งนิกายใหม่วางหลักปฏิบัติใหม่ที่เบสจึงมีสานักและนิกายมากลายด้วยการศึกษาหาความรู้ของพวกนี้อย่างไรก็ดีพระทั้งสองพวกนี้ มีความเป็นอยู่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออยู่กันอย่างเป็นหมวดหมู่อยู่ในคณะสงฆ์อยู่ในวัดใหญ่ๆแต่นอกจากสองพวกนี้แล้วยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งต้องการศึกษาทางวิปัสสนาอย่างแท้จริงเป็นพวกที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวและเรียนวัดปฏิบัติทางจิตใจแท้การอยู่โดดเดี่ยวนั้นทำได้สองทางทางหนึ่งคืออยู่ในวัดใหญ่นั่นเองแต่ก็อยู่ในระเบียบบังคับอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่ง ออกไปอยู่อาสมอย่างฤาษีและโดยมากตามที่ทำกันมานั้นต้องฝึกหัดอยู่โดดเดี่ยวในวัดก่อนเมื่อคุ้นกับชีวิตโดดเดี่ยวภายในวัดอย่างแท้จริงแล้วจึงออกไปอาสมการอยู่โดดเดี่ยวภายในวัดนั้นก็มีวิธีการที่เคร่งครัดรุนแรงมากเริ่มแต่การที่ไม่พบใครเลยนอกจากสิทธิ์ที่รับใช้ตนไม่พูดอะไรเลยถ้ามีความจาเป็นจะต้องการสิ่งใดก็เขียนหนังสือส่งให้แก่สิทธิผู้ปฏิบัติตน ปิดบังตัวเองไม่ให้เห็นภูมิภาพอย่างใดนอกจากท้องฟ้าห้องที่อยู่ก็มีเครื่องบังคับหน้าต่างทางเบื้องล่างเป็นเครื่องกำบังที่สูงพอที่จะไม่เห็นภูมิภาพแม้แต่ภูเขาในระยะไกลให้มองเห็นแต่ท้องฟ้าเท่านั้นต่อมาแม้แต่ท้องฟ้าก็ไม่แลเห็นโดยที่หน้าต่างนั้นทำเป็นแผงใหญ่กำบงังเบื้องล่างไม่เห็นภูมิภาพอะไรอยู่แล้วเมื่อมีแผงใหญ่กำบังเบื้องบนเข้าก็เลยไม่เห็นท้องฟ้าด้วยแต่คงมีแสงสว่างเวลากลางวัน เข้ามาทางห้องได้ส่วนคนนั้นไม่พบใครเลยในตอนหลังนี้จะพบไม่ได้แม้แต่สิทธิผู้ปฏิบัติสิทธิจะนำอาหารและสิ่งที่ต้องการมาสอดลอดช่องฝาที่ทำไว้เป็นพิเศษเพื่อการนี้รับประทานแล้วสอดภาชนะออกไปทางช่องฝามีอะไรที่ต้องการให้เอาไปเทไปทิ้งก็ส่งลอดออกไปตามช่องฝาเหมือนกันการอยู่ในที่มืดในที่สุดก็อยู่ในความมือดอย่างแท้จริงคือปิดหมด ปิดบังแสงสว่างทั้งหมดด้วยในห้องที่อยู่นั้นคงมีแต่อากาศสำหรับหายใจอากาศมาจากปล่องที่ทำไว้ด้วยวิธีที่เข้าใจคิดเข้าใจทำคือทำปล่องคดเคี้ยวให้อากาศเข้าได้เพียงพอแต่ไม่ให้แสงสว่างเข้าได้เลยเป็นการเก็บตัวอยู่ในความมืดห้ามจุดโคมไฟหรือจุดเทียนแม้แต่ทูบก็จุดไม่ได้มืดจนไม่รู้ความแตกต่างระหว่างกลางคืนกับกลางวัน สตรีผู้เขียนหนังสือเล่อนี้นำมากล่าวนี้อธิบายว่าการอยู่ในความมืดอย่างนี้เป็นเวลานานๆทำให้รู้จักและเข้าใจแน่ชัดในความหมายของคำว่า eternity คือการไม่มีอะไรจะสิ้นสุดทำให้เกิดเชื่อแน่ในความมีอยู่ของดวงวิญญาณคือเชื่อว่าวิญญาณมีจริงทำให้เข้าใจว่าการที่ดวงวิญญาณลอยล่องท่องเที่ยวอยู่ในจักรวาล น, นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรทำให้เชื่อว่าดวงวิญญาณคงจะลอยอยู่ในความมืด ในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดและเพราะเหตุนี้เองลัทธิของทิเบตจึงสอนว่าดวงวิญญาณที่ลอยล่องท่องเที่ยวอยู่ในจักรวาล น, นั้นไม่สามารถจะพบแสงสว่างต้องลอยอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ว่าไปทางไหนผู้อยู่ในความมืดอย่างนี้รู้สึกตัวเองเหมือนเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งลอยล่องอยู่ในความไม่สิ้นสุดของจักรวาลความเข้าใจอันแท้จริงในทางวิญ ญ, ญาณศาสตร์ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยเหตุที่ไม่รู้จะทำอะไร ผู้อยู่ในที่มืดดังกล่าวแล้วก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาสตรีผู้นี้กล่าวว่าการสวดมนต์ภาวนาในที่มืดนั้นได้ผลดีกว่าในที่สว่างเป็นอันมากเป็นการง่ายเหลือเกินที่จะสร้างสมาธิจิตในที่มืดเพราะไม่มีอะไรมาทาให้ใจวอกแวกไม่มีอะไรมาชวนให้เขาวอกแวกหรือฟุ้งซ่านการศึกษาทางจิตการสร้างกาลังทางจิตการฝึกฝนความมหัศจรรย์ทางจิตเหล่านี้ความมืดช่วยมากที่สุด ในทันทีที่ดวงจิตแน่วแน่ก็รู้สึกตัวว่าลอยคว้างอยู่ในความไม่สิ้นสุดจักรวาลทำให้เชื่อมั่นต่อไปว่าการใช้ดวงจิตทำปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดนั้นไม่เป็นเรื่องพ้นวิสัยและเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นอย่างน้อยก็คงจะมาจากความรู้สึกเช่นนี้การอยู่ในความมืดอย่างนี้ตามระเบียบจะต้องอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนอันที่จริงหลักการว่าต้องอยู่หนึ่งปี แต่เพื่อไม่ให้มีความบกพร่องตกล่นด้วยการนับผิดหรือด้วยอะไรและให้แน่ใจว่าได้อยู่ครบปีจริงๆจึงอยู่เสียหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนในการออกจากความมืดนั้นก็ทําอย่างแนบเนียนคือให้เห็นแสงสว่างแต่ทีละน้อยเริ่มแต่เจาะรูที่หน้าต่างซึ่งเป็นไม้หรือกระดาษให้เป็นรูนเล็กๆให้แสงสว่างเพียงนิดเดียวต่อมาวันหลังก็เจาะรูเพิ่มขึ้นหรือทําให้รูใหญ่ขึ้นทุกๆวันจนกระทั่งเปิดหน้าต่างได้ เรื่องนี้ก็เป็นวิธีรอบคอบเพราะถ้าได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่ในทันทีทันใดก็อาจจะทำให้ในตาบอดได้เพราะอยู่ในความมืดอันแท้จริงมาตั้งปีเมื่อออกจากความมืดแล้วผู้ฝึกฝนก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเกิดใหม่ชีวิตในความมืดซึ่งทำให้เห็นตนเองเป็นดวงวิญ ญ, ญาณล่องลอยอยู่ในความไม่สิ้นสุดแห่งจั ก, กรวาล น, นั้นเมื่อออกจากความมืดมาแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าดวงวิญ ญ, ญาณกลับเข้าสู่ร่างเป็นคนใหม่ บางทีก็เกิดความรู้สึกเหมือนอย่างว่าเวลาหนึ่งปีในที่มืดนั้นเป็นเวลาที่นอนหลับตลอดปีและเพิ่งตื่นขึ้นเป็นความรู้สึกสดชื่นเหมือนหนึ่งว่าได้สะสมกําลังไวหนึ่งปีเต็มความรู้สึกเหมือนเกิดใหม่นี้ให้ผลในทางจิตใจเป็นอันมากแม้ในทางศีลธรรมก็ให้ผลมากคือในระหว่างหนึ่งปีที่อยู่ในความมืดนั้นความดีความชั่วความผิดความถูกของตัวเองได้รับการพิจารณาอย่างดีและรู้สึกเหมือนว่า ความมืดในช่วงเวลาหนึ่งปีนั้นเป็นเครื่องล้างความผิดความชั่วที่ได้ทํามาล้างออกไปจากหัวใจเมื่อออกมาสู่แสงสว่างใหม่ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเกิดใหม่ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้าหากตัวจะได้เคยทําความผิดความชั่วอะไรมาแต่ก่อนก็จะไม่ทําอีกต่อไปจะมุ่งทําแต่ความดีรวมความว่าความมืดในเวลาหนึ่งปีมีผลในทางดัดนิสัยสันดานอย่างดีที่สุดด้วย ถ้าถือว่าการเอาคนทำผิดมาขังคุกจะดัดนิสัยอัจฉรยกรให้กลายเป็นคนดีได้การอยู่ในที่มืดอย่างวิธีของทิเบตยังได้ผลดีกว่าเพราะได้สร้างความรู้สึกดีขึ้นจากน้ำใสใจจริงของตนเองชีวิตในอาสมต่อไปนี้ก็ถึงชีวิตในอาสมอาสมมีสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นตึกที่ปลูกสร้างอย่างบ้านเรือนธรรมดาบางทีก็อยู่โดดเดี่ยวบางทีก็อยู่เป็นหมู่เหมือนวัดเล็กๆวัดหนึ่ง หลังกลางใหญ่น้อยเป็นอาสมของอาจารย์หลังเล็กๆเป็นอาสมของพวกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยแต่ก็มักจะมีอีกหลังหนึ่งเป็นที่เก็บสเสบียงอาหารแต่อาสมแต่ละหลังเป็นที่อยู่ของคนคนเดียวจะอยู่รวมกันไม่ได้อีกชนิดหนึ่งเป็นถ้ำแต่บางแห่งก็ไม่สามารถจะเรียกว่าถ้ำได้เพราะเป็นโพรงลึกเข้าไปเพียงเล็กน้อยมีลักษณะที่ควรจะเรียกว่าเพิงผา เพราะมีความลึกเข้าไปเพียงสองถึงสเมตรมีหินเป็นเพิงอยู่ข้างหน้าโดยธรรมชาติบางแห่งอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยบางแห่งต้องทำเพิงต่อออกมาข้างหน้าอีกเพิงที่ทำต่อออกมาข้างหน้านี้บางทีก็ทำอย่างถาวรบางทีก็ทำอย่างชั่วคราวที่เป็นการถาวรก็ใช้หินกอยอย่างแข็งแรงถ้าเป็นของชั่วคราวก็ใช้ไม้เอาหนังสัตว์ถึงเป็นหลังคาเพิงหินอย่างที่กล่าวนี้หาได้ไม่ยากนัก ธรรมชาติสร้างไว้ให้มากในทิเบตภูเขาลูกหนึ่งหนึ่งหาเพิงหินอย่างนี้ได้มากๆชีวิตในอาสมเป็นชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวจริงแต่ไม่น่าเบื่อนายสตรีผู้เขียนหนังสือที่นำมากล่าวนี้เขียนไว้ว่าไม่เคยพบผู้ใดอยู่ในอาสมคนใดไม่ว่าจะเป็นชั้นอาจารย์หรือผู้ที่เริ่มฝึกหัดที่จะบนเบื่อชีวิตในอาสมสักคนเดียวทุกคนชอบว่าเป็นชีวิตที่ผาสุ ตัวสตรีผู้นี้เองเมื่อมามีชีวิตอยู่ในอาสมก็ชอบมากความสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นเป็นความสุขแท้เมื่อหิมะเริ่มตกก็มองดูหิมะที่ตกลงมาด้วยความระลึกถึงว่าในไม่ช้าหิมะเหล่านั้นก็จะกั้นบริเวณอาสมให้แยกออกจากโลกทั่วไปเพราะในฤดูหิมะตกหนักนั้นไม่มีมนุษย์ใดจะสามารถบุกเข้ามาในอาสมนี้ได้อีกภาพของอาสมที่แวดล้อมไปด้วยหิมะอย่างหนาะ ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในวิมานที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆห่างไกลจากหมู่มนุษย์แลเห็นหมู่มนุษย์ทั่วไปเป็นอีกพวกหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อหมดฤดูหนาวจัดความอบอุ่นเริ่มมีมาหิมะเริ่มละลายก็มองดูความละลายของหิมะเหล่านั้นด้วยความระลึกถึงว่าหิมะแห่งภูเขาสูงในทิเบตนี้เองที่เลื่อนไหลลงไปกลายเป็นแม่น้ำใหญ่หญ<ๆ>เช่นแม่น้ำพรมบุตรแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำโขง หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์หลายสิบหลายร้อยล้านลำธารน้อยๆบนเนินสูงแห่งที่เบตคือมารดาแห่งแม่น้ำใหญ่ๆ ใ, ในโลกเบื้องล่างโลกทั้งโลกย่อมมีทางที่จะไปถึงกันโดยธรรมชาติธรรมชาติให้ความเอื้อเฟื้อเผือแผ่แก่มวลมนุษย์ตลอดถึงกันมนุษย์ในโลกน่าจะมีมิตรจิตเป็นมิตรกันโดยไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันเลยมณซึ่งใช้มากที่สุดสำหรับสวดท่องในเวลาอยู่อาสมนั้นมีข้อความว่าข้าพเจ้ามาอาศัยอยู่ในที่อาศัยอันบริสุทธิ์ บ, บรรพบุรุษของข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะสงสารเกิดแล้วเกิดอีกและมีชีวิตเปลี่ยนไปมาถึงหนึ่งประการข้าพเจ้าพยายามที่จะบรรลุสัมโพธิญาณหมดทุกข์หมดภัยขอให้ดวงวิญญาณแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจงได้รับแสงสว่างเทินเราจะเห็นได้จากมนี้ว่าความคิดหลายทางมาผสมกัน วัฏฏะสงสารและการบรรลุสัมโพธิญาณเป็นความคิดทางพระพุทธศาสนาการกล่าวอ้างหรือวิงวอนเกี่ยวกับบรรพบรุษเป็นความคิดทางจีนเรื่องขอให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้รับแสงสว่างเป็นความคิดของทิเบตเองเพราะทิเบตถือว่าดวงวิญญาณทั้งหลายลอยล่องท่องเที่ยวอยู่ในความมืดเมื่อว่ามนจบลงไปครั้งหนึ่งก็ให้กราบและชักลูกประคำไว้ลูกประคำสายหนึ่งมีหนึ่งร้อยแปดลูก การภาวนาภาคหนึ่งจะต้องภาวนาให้ถึงหนึ่งร้อยแปดเที่ยวเมื่อครบหนึ่งร้อยแปดเที่ยวแล้วจะหยุดก็ได้วันหนึ่งหนึ่งจะเข้าบริกรรมภาวนาสักกี่ครั้งก็ได้สตรีผู้เขียนหนังสือที่นำมากล่าวนี้เขียนว่าชีวิตในอาสมของเธอเองซึ่งอยู่เป็นเวลาช้านานหลายปีได้สวดท่องมนบทนี้และกราบไม่น้อยกว่าล้านครั้งและรู้สึกว่าได้ดูดดึงเอาความดีเข้ามาไว้ในตัวด้วยมนบทนี้เป็นอันมาก นอกจากเรื่องสวดมนต์ภาวนานี้แล้วชีวิตในอาสมก็มีเรื่องกายบริหารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากหายใจแรงลทัทธิลามะของทิเบตมีหลักการอย่างเดียวกับลทัทธิโยคะของอินเดียคือการบริหารอันสำคัญที่สุดนั้นได้แก่การหายใจอย่างแรงการฝึกหัดหายใจต่อหน้าอาจารย์ต้องเปิดร่างกายท่อนบนจนกระทั่งถึงท้องให้อาจารย์เห็นท้องเพราะความสาคัญอยู่ที่ท้องเวลาหายใจเข้า ต้องให้ท้องพองออกซึ่งแสดงว่าหายใจเอาอากาศเข้าไว้เต็มท้องเวลาหายใจออกต้องให้ท้องขแมแ่วซึ่งแสดงว่าเอาอากาศออกจากท้องหมดเห็นจะไม่จำเป็นจะต้องกล่าวว่าเรื่องหายใจอย่างนี้มีประโยชน์เพียงไรนักศึกษาจิตวิทยาทั่วไปย่อมเข้าใจกันดีและเป็นบทรเรียนที่ครูอาจารย์ทางจิตวิทยาสอนให้ทาเป็นเบื้องต้นถ้าเรานึกต่อไปว่าในภูเขาสูงแห่งทิเบต ซึ่งมีความสูงพ้นระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 3,000 เมตรคือตั้งแต่50เท่ายอดภูเขาทองของเราขึ้นไปมนุษย์ได้อากาศบริสุทธิ์เพียงไรการฝึกหัดเรื่องหายใจอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยอย่างดีพิเศษในทางใจนั้นย่อมสร้างกำลังใจที่แข็งแกร่งอย่างมากนอกจากนั้นแล้วความคิดของทิเบตยังอธิบายว่าการฝึกหัดหายใจอย่างนี้ให้ผลดีอีกหลายประการ คือช่วยให้ข่มความโกรธความพยาบาทดับความใคร่ในกรรมคุณทำดวงจิตให้ปลอดโปร่งทำให้เกิดความปรารถนาและเตรียมพร้อมในการที่จะสวดมนต์ภาวนาทำให้เกิดกำลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในตัวพวกลามาธิเบตถือเป็นสุภาษิตว่าดวงจิตคือคนขี่ม้าและการหายใจนั้นคืออ่านการศึกษาฝึกฝนเกี่ยวกับดวงจิตถ้าไม่สนใจกับเรื่องหายใจก็เหมือนขี่ม้าโดยไม่มีอ่าน แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสักเพียงไรเรื่องการบริหารด้วยวิธีหายใจอย่างแรงนี้ก็ยังต้องทำอยู่เสมออย่างเดียวกับว่าแม้จะเป็นนักขี่ม้าที่เชี่ยวชาญแล้วสักเพียงไรก็ยังต้องใช้อ่านอยู่เสมอวิธีทำกสินของที่เบสเรื่องหายใจก็เป็นเรื่องกระสินเรื่องกสินทางพุทธศาสนาฝ่ายใต้นั้นข้าพเจ้าได้เขียนบรรยายไว้อย่างพิสดารในหนังสือวิชาแปประการของข้าพเจ้า รวมความอย่างง่ายๆก็คือลทัทธิทางพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้สอนให้เอาดินปั้นเป็นรูปแบนและตัดให้เป็นวงกลมขนาดเล็กๆสำหรับเพ่งดูจนกระทั่งรูปวงกลมนั้นติดตาแม้จะหลับตาก็ยังแลเห็นรูปปั้นแผ่นกลมนั้นอย่างเด่นชัดเรียกว่าอุคานิมิตซึ่งเป็นเบื้องต้นของการเข้าฌานตามลทัทธิทางพุทธศาสนานิกายฝ่ายใต้แต่ทางที่เบตนั้นใช้วงกลมเหมือนกัน แต่มีวิธีการผิดแปลกออกไปมากเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษามากวิธีการของที่เบตจะทำรูปวงกลมลงบนกระดาษหรือบนผืนผ้าก็ได้บางทีใช้แผ่นโลหะแผ่นไม้ซึ่งเขียนไว้ด้วยสีอย่างถาวรและนอกจากเขียนวงกลมแล้วยังต้องเขียนรูปเทพ ย, ายดาประจำทิศไว้ทั้งสีทิศวงกลมถาวร น, นี้ไม่จำกัดขนาดเล็กพอที่จะติดตัวไปทางไหนได้สะดวกหรืออาจทาขนาดกลาง พอที่จะติดตั้งในอาสมอาจทำขนาดใหญ่ถึงกับวัดเส้นผ่า ก, กลางตั้งสาเมตรก็ได้ซึ่งผิดกับลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายใตย้ที่ทำขนาดเล็กพอที่สายตาจะเพ่งได้ใกล้การทำรูปกระสินแบบถาวรนี้ผู้ทำต้องมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษเพราะถ้าทำผิดไปเช่นให้สีผิดหรือเขียนรูปเทพ ย, ายดาผิดก็อาจจะเกิดผลร้ายแก่ผู้ทาเองวิธีเพ่งของทิเบตก็ผิดกับวิธีทางพุทธศาสนาฝ่ายใต้มาก คือทิเบตสอนให้เพ่งให้เห็นรูปเทพ ย, ายดาประจำทิศทั้งสนั้นเคลื่อนไหวมีชีวิตจิตใจขึ้นทุกองค์เคลื่อนเข้ามาสู่จุดกลางของวงกลมมารวมกันเข้าเป็นองค์พระสีอาริยเมตไตรและเราเรียกกันว่าพระสีอานรูปพระสีอานนี้มีอยู่ทั่วไปในวัดทิเบต น, นักศึกษาของทิเบตย่อมรู้จักและจำพระสีอานได้ทุกคนเพราะเป็นพระโพธิสัตว์สูงสุดที่เขาเคารพ บ, บูชา วิธีนี้เป็นลัทธิมหายานกับลัทธิพราหมณ์ผสมกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปรวมอยู่ในจุดกลางซึ่งลัทธิมหายานถือว่าเป็นพระสีอานและลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นพรหมเมื่อเพ่งเอาเทพเจ้าทั้งสีทิศเข้ามารวมเป็นองค์พระสีอานอยู่ตรงกลางได้แล้วลงท้ายก็เพ่งให้รูปองค์พระสีอานนั้นเองค่อยๆหายไปทีละน้อยเบื้องพระบาทเลื่อนหายไปก่อนจนถึงกลางองค์ส่วนน้อยเหลืออยู่เท่าไหร่ ให้ร่นลงมาอยู่กลางทุกทีต่อมาก็เหลือแต่พระเสียรของพระสีอานซึ่งไว้อยู่ตรงกลางและในที่สุดพระเศียนนั้นเองก็เลือนหายไปเหลือเป็นจุดจุดเดียวเห็นจุดจุดเดียวอยู่กลางวงแล้วก็เพ่งกลับตามวิธีที่เรียกว่าปฏิโลมคือเพ่งให้จุดๆุดนั้นค่อยกลายเป็นพระเศียรพระสีอารขึ้นกลายเป็นองค์มีพระบาทมีทุกอย่างครบองค์แล้วก็แยกออกเป็นเทพพญดาประจำทั้งสีทิศเคลื่อนกลับออกมาอยู่ที่เดิม เป็นอันเสร็จการเพ่งครั้งที่หนึ่งเรื่องกสินของทิเบตมีความวิจิตพิสดารกว่าลทัทธิพุทธศาสนาทางใต้โดยนัยะดังได้กล่าวมาข้างต้นนี้วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปและสำหรับผู้ที่ได้ผ่านชีวิตในวัดใหม่ๆหรือที่ได้พบครูอาจารย์ซึ่งมีเครื่องมือพรักพร้อมเช่นเครื่องมือกสินถาวรดังกล่าวข้างต้นแต่สำหรับผู้ซึ่งไม่สามารถจะมีเครื่องมืออย่างนั้นอาจารย์ก็ได้สอนวิธีให้อีกวิธีหนึ่ง คือเขียนวงกลมลงบนกระดาษหรือผ้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้โดยไม่ต้องทาสีหรือมีเทพพญดาแต่ต้องเป็นผู้ที่เคยเห็นรูปเทพ ย, ายดาว่าองค์ไหนมีรูปอย่างไรเรื่องเช่นนี้ไม่เป็นการยากสำหรับชาวทิเบตเพราะรูปเทพ ย, ยดาต่างๆของทิเบตนั้นมีรูปเขียนรูปปั้นอยู่มากมายเพราะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆตามบ้านเรือนเคหสถานก็มีรูปอย่างนี้ไว้บูชาจึงไม่เป็นการยากที่ชาวทิเบต จะจำรูปเหล่านั้นได้วิธีเพ่งในทางที่สองนี้คือเมื่อเขียนวงกลมลงบนผ้าหรือกระดาษเปล่าโดยไม่ต้องมีลวดลายอย่างอื่นแล้วก็ให้นั่งเพ่งวิธีเพ่งนั้นคือให้เพ่งจนกระทั่งแแลเห็นเป็นดอกบัวดอกหนึ่งอยู่ในกลางวงกลมนั้นความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ในตอนนี้คือถ้าเพ่งจนกระทั่งแน่ใจว่ามองเห็นดอกบัวได้ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นผลสำเร็จและการศึกษาขั้นต่อไปก็จะง่ายเข้ามาก เมื่อเพ่งแลเห็นดอกบัวแล้วบัวที่แลเห็นนั้นต้องเป็นบัวตูมแล้วก็เพ่งให้เห็นบานออกมาทีละกลีบจนกระทั่งรอบดอกซึ่งตามธรรมดาเพียงแต่บานออกแปดกลีบก็รอบแล้วแต่ละกลีบที่บานออกมานั้นได้มองเห็นเทพพ ย, ยดาแต่ละองค์ประจำกลีบบัวทุกกลีบแล้วก็เพ่งให้เห็นความเคลื่อนไหวของเทพพ ย, ยดาเหล่านั้นซึ่งทุกๆองค์จะต้องเคลื่อนเข้าสู่วงกลางหายเข้าไปในเกสรบัวซึ่งอยู่กลาง แล้วกรีบบัวก็ค่อยๆหูบเข้าทีละกลีบจนกลายเป็นบัวตูมอย่างเดิมวิธีนี้ทํากันได้ผลสําเร็จเป็นอันมากเมื่อได้ทําการเพ่งด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดในสองวิธีที่กล่าวข้างต้นได้ผลสําเร็จแล้วก็ให้ทําอีกวิธีหนึ่งคือเพ่งให้แลเห็นพระเจ้าห้าพระองค์โผล่ขึ้นมาในวงกลางนั้นทีละองค์แล้วก็เคลื่อนออกจากวงนั้นเข้ามาสู่ตัวเององค์แรกเข้ามาอยู่ในหน้าผากองค์ที่สองเข้ามาอยู่ในไหล่ขวาองค์ที่สาม เข้ามาอยู่ในไหล่ซ้ายองค์ที่สี่เข้ามาอยู่ในมือขวาองค์ที่ห้าเข้ามาอยู่ในมือซ้ายให้เพ่งด้วยวิธีนี้เรื่อยๆไปอีกหลายสิบครั้งจนกระทั่งแน่ใจว่าในตัวของตัวเองนั้นมีอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสิงอยู่จริงๆขั้นสําเร็จต่อไปนี้ก็เข้าถึงขั้นสําเร็จบุคคลที่ได้ฝึกหัดปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ย่อมจะเกิดความเชื่อขึ้นในตัวเองว่า จะมีอำนาจเหนือพูดผีปีศาจยักษ์มารหรือแม้เทวดาทั้งหลายสามารถจะร้องขอให้เทพพญดาทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามความต้องการของตัวส่วนเรื่องพูดผีปีศาจนั้นจะถือได้ว่าอยู่ใต้อำนาจทีเดียวต่อไปนี้นับว่าถึงทางแยกคือว่าจะแยกไปเป็นพระหรือไปเป็นมายาการก็ได้ถ้าแยกไปเป็นพระก็ดำเนินตามทางของพระ คือเอาพูดผีปีศาจร้ายมาทรมานมาสั่งสอนให้กลับกลายเป็นคนดีมีความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทำความดีให้แก่มนุษย์ถ้าแยกไปเป็นมายาการก็มีเรื่องที่จะกล่าวต่อไปอีกมากดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้าแต่จะเป็นพระหรือเป็นมายาการก็ตามทีมีกฎแห่งความประพฤติปฏิบัติซึ่งพระรามะผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งมีนามว่าปัตมา ส, สัมภวะได้วางหลักไว้สองประการคือหนึ่ง ต้องประพฤติตนเป็นคนสงบเสงี่ยมปราศจากการวางโตเยื่อยิ่งไม่สแสวงหาความเด่นความสูงเพียงแต่สร้างความรู้สึกในใจของตัวว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจเป็นคนสูงยิ่งกว่าคนอื่นแต่ต้องให้เป็นเพียงความรู้สึกในใจต้องไม่แสดงออกไปเลยเป็นอันขาดต่อหน้าคนทั้งหลายต้องทำถ่อมตัวและสงบเสงี่ยมไว้เสมอสองได้รับทุกอย่างตามที่จะมาถึงแล้วแต่จะมีอะไรมาก็ยินดีรับอย่างนั้นได้ อาหารอย่างไรมาก็รับประทานได้ดินฟ้าอากาศอย่างไรก็ยินดีอยู่ได้ที่อยู่อาสมอย่างไรก็ยินดีรับโดยไม่เลือกเหตุร้ายจะมาถึงอย่างไรก็ไม่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ต้องการสแสวงหาอะไรแต่ก็ไม่หลีกหนีในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ชื่นชมยินดีในเมื่อมีลาบผลไม่เดือดร้อนเหี่ยวแห้งในเมื่อกระทบอารมณ์ที่พึงปรารถนาแน่นอนทีเดียวหลักเกณฑ์ทั้งสองประการ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีมากและก็เป็นประกันอันหนึ่งว่าถึงแม้จะเลือกการดำเนินชีวิตในทางเป็นมายากาลซึ่งเป็นคนละทางกับพระก็ยังมีกฎข้อบังคับผูกมัดว่าต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ถ้าปฏิบัติผิดไปจากนี้วิชาหรือสมรรถภาพทั้งหลายก็จะเสื่อมลงหรือมิฉนั้นก็จะกระทาร้ายแก่ตัวเองพวกพระกับพวกมายการมีข้อแตกต่างกันอยู่เพียงว่า พวกพระไม่ทำอะไรในทางร้ายเช่นไม่ยอมใช้อำนาจรหรือความมหัศจรรย์ทางจิตสำหรับประทุษร้ายใครจะใช้ก็แต่ในทางดีเท่านั้นส่วนพวกมายาการนั้นสามารถจะใช้อำนาจรหรือความมหัศจรรย์ทางจิตที่ตัวมีอยู่ในทางกระทำร้ายได้แต่ในเรื่องกระทำร้ายนั้นพวกมายาการเองก็ต้องมีเหตุผลว่าทำเพื่อความยุติธรรมโดยมากที่ทำกันไม่เป็นธรรมไม่มีทางจะแก้แค้นตอบแทนอย่างไรได้ก็มาหาอาจารย์ซึ่งเป็นมายาการ อาจารย์ก็ซักไซส์ไล่เลียงเรื่องราวพินิษพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อแลเห็นชัดว่าบุคคลผู้นั้นทำผิดจริงประทุษร้ายต่อสิทธิ์ของตัวจริงก็ใช้อำนาจจิตในทางร้ายเพื่อให้ความยุติธรรมแก่สิทธิ์ของตัวหรืออีกทางหนึ่งพวกมายาการที่ตั้งใจทำดีให้แก่คนทั้งหมู่บ้านและนำให้คนทั้งหมู่บ้านทำอย่างนั้นอย่างนี้เช่นให้รีบเก็บเกี่ยวพืชผลที่ปลูกไว้เพราะมายาการเข้าใจว่าในไม่ช้าฝนลูกเห็บจะตกลงมา ทำให้พืชผลเสียหายใครไม่เชื่อฟังมายาการย่อมจะหาวิธีลงโทษรวมความว่าถึงแม้เป็นมายาการก็ได้ชื่อว่าไม่ทำอะไรที่ผิดธรรมการใช้อำนาจในทางร้ายก็ต้องพิจารณาโดยถูกต้องท่องแท้และรักษาความเป็นธรรมอยู่เหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณ น, นั้นทั้งพวกพระและพวกมายาการ ย่อมต้องเพ่งเลงถึงดวงวิญญาณอย่างเดียวกันคือเพ่งดวงวิญญาณในที่มืดแล้วก็พยายามนึกให้ได้ว่าดวงวิญญาณของใครหรืออย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณดีหรือร้ายโง่หรือฉลาดกล้าหรือขลาดการเก็บตัวอยู่ในความมืดเป็นเวลาหนึ่งปีให้ผลในเรื่องนี้เป็นอันมากเพราะอย่างน้อยก็ทำให้รู้หรือนึกเอาเองว่าสภาพของดวงวิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรสามารถจะค้นพบปะได้อย่างไร ครั้นเมื่อพบดวงวิญญาณที่ต้องการเข้าแล้ววิธีการของพระและมายาการก็ต่างกันคือพระนั้นส่งจิตติดตามดวงวิญญาณไปตามสั่งตามสอนดวงวิญญาณที่ร้ายให้กลับเป็นดีสอนดวงวิญญาณดวงใดสามารถจะมาทําประโยชน์แก่มนุษย์ได้ก็ให้มาช่วยทําวิธีของพระเป็นวิธีที่ติดตามแต่ส่วนวิธีของมายาการนั้นต้องทําให้ดวงวิญญาณหยุดคือเมื่อดวงวิญญาณที่ตัวต้องการเข้าก็บังคับให้หยุด และให้มาปฏิบัติตามคำสั่งของตัวให้ทำตามที่ตัวสั่งซึ่งอาจจะเป็นความดีหรือความร้ายก็ได้ถ้าวิญญาณดวงใดกล้าแข็งกว่าตัวสั่งให้หยุดไม่ได้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้ตัวก็จะต้องกลัวเคารพนับถือวิญญาณนั้นและบูชาขอเป็นผู้อารักขาและแบ่งอำนาจให้แกตัวอันที่จริงเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรื่องสมมติเรื่องจงจิตเรื่องอุปาทาน แต่สําหรับคนที่ได้ฝึกฝนในทางวิชาของทิเบตโดยวิธีมากมายหลายอย่างดังกล่าวมาข้างต้นนั้นก็าอาจจะเกิดความเชื่อแน่วแน่ว่าตนสามารถพบดวงวิญญาณสามารถตามสั่งสอนหรือสามารถบังคับความเชื่ออันนี้อาจจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้ผลซึ่งเราควรจะยอมรับนับถือได้ว่าเป็นเรื่องมหาสัจจันธ์ทางจิตนั่นเอง อนหนึ่งจะเป็นพระหรือเป็นมายาการก็ตามทีจะได้ผ่านพ้นขีดการศึกษาฝึกฝนมาอย่างไรแล้วก็ตามทีงานสองอย่างซึ่งทิ้งเสียไม่ได้และต้องทำอยู่เสมอคือการหายใจอย่างลึกซึ่งเป็นการบริหารที่ต้องทำประจาวันและการเข้าสมาธิซึ่งต้องทำให้แน่วแน่อยู่เสมอเรื่องเข้าสมาธินี้เองก็จะต้องเข้าทุกวันเว้นเสียไม่ได้อย่างที่วรรณคดีทั้งหลายเรียกว่าเข้าฌาน ในเมื่อกล่าวถึงฤาษีชีพรายตามภูเขาหิมาลัยอันที่จริงเป็นเรื่องทำสมาธิซึ่งแม้จะเก่งแล้วสักเพียงไรก็ยังมีข้อบังคับว่าต้องทําไปทุกวันการเพ่งสมาธิอย่างแรงกล้าสมควรจะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าเรื่องเข้าสมาธิของทิเบตนั้นเขาเข้ากันอย่างจริงจังเข้าจนกระทั่งกลายเป็นสะกดตัวเองและก็ต้องยอมรับว่า ดินฟ้าอากาศหรือภูมิประเทศในทิเบตมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องนี้มากแม้ผู้ที่มาฝึกหัดใหม่ก็สามารถจะทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วและทำได้จนกระทั่งกลายเป็นสกจิตตัวเองเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้มีอยู่เป็นอันมากว่าผู้ที่บวชอยู่กับพระพุทธเจ้าใหม่ๆพระพุทธเจ้า ก็สอนให้ทำสมาธิเบื้องต้นวิธีสอนของพระพุทธเจ้านั้นมักจะทรงพิจารณาดูนิสัยของผู้ที่เข้าบวชใหม่แล้วก็ทรงเลือกหลักธรรมให้ข้อหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับนิสัยของผู้นั้นแล้วก็รับสั่งให้ไปเข้าสมาธิตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่ในหลักธรรมข้อนั้นข้อเดียวส่วนวิธีการของที่เบตนั้นอาจารย์ไม่จาเป็นต้องให้หลักธรรมให้อะไรก็ได้บอกให้อย่างหนึ่งแล้วก็ให้ตั้งสมาธิ นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องเดียวให้นั่งอยู่จนกว่าอาจารย์จะไปเรียกกลับมาช่าที่เบตแม้ฝึกหัดใหม่ๆก็อาจจะทำได้ดีมากทำได้จนกลายเป็นสะกดจิตตัวเองมีเรื่องเล่า ว, ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาหาอาจารย์ซึ่งดำเนินชีวิตอยู่อย่างฤาษีขอศึกษาวิชาการอาจารย์ก็สั่งให้ไปนั่งสมาธิในอาสมซึ่งยังว่างอยู่ชายหนุ่มคนนั้นก็ถามว่าจะให้ไปทำสมาธิในเรื่องอะไรอาจารย์ตอบว่าอะไรก็ได้ ชายหนุ่มคนนั้นไม่ตกลงว่าจะไปนั่งนึกถึงอะไรดีจึงขอให้อาจารย์กำหนดให้ว่าในการไปนั่งสมาธินั้นเขาควรจะนึกถึงอะไรอาจารย์ถามว่าเมื่อก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้เขาประกอบอาชีพหรือมีการงานทางใดชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าเขาเลี้ยงโคขนยาวอาจารย์ถามว่ามีหลายตัวหรือเขาบอกว่ามีหลายตัวอาจารย์บอกว่าให้เลือกเอาตัวหนึ่งตัวที่เขาชอบที่สุด เขาตกลงเลือกเอาตัวหนึ่งโดยบอกอาจารย์ว่าโคขนยาวที่เขาชอบมากที่สุดนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวที่เขายาวและกลางออกมามากอาจารย์บอกว่าไปทำสมาธินึกถึงโคตัวนั้นก็แล้วกันเขาปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์เข้าไปในอาสมแล้วก็ทำสมาธิโดยเพ่งนึกถึงโคขนยาวเขากางตัวนั้น เวลาล่วงไปช้านานจนอาจารย์เห็นว่าควรจะบอกให้หยุดพักได้แล้วอาจารย์จึงเดินไปที่อาสมบอกให้เขาหยุดและออกมาจากอาสมเขาร้องตอบว่าออกไม่ได้อาจารย์ถามว่าทำไมเขาตอบว่าติดเขาคือหมายความว่าโคนั้นเข่ากลางมากเกินไปจนออกจากประตูอาสมไม่ได้ทั้งนี้ย่อมแสดงว่าแม้ในการฝึกหัดครั้งแรกเขาก็ทาสมาธิได้ดีเหลือเกินดีจนกระทั่งสะกดจิตตัวเองให้เข้าใจว่า ตัวเป็นโคเขากลางตัวนั้นถึงกับเมื่ออาจารย์เรียกออกจากอาสมก็บอกว่าออกไม่ได้เพราะติดเขาอาจารย์ต้องปลุกให้ฟื้นขึ้นจากสะกดเรื่องที่เล่ามานี้แสดงให้เห็นว่าชาวที่เบตนั้นแม้สำหรับบุคคลทั่วไปก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมาธิดีมากและสามารถจะฝึกหัดได้รวดเร็ว ด, ด้วยฉะนั้นเรื่องที่ประเทศที่เบตเป็นดินแดนแห่งมายาศาสตร์นั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ วิธีเพ่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับถือกันมากและครูอาจารย์เกือบทุกคนสอนให้สิทธเพ่งเป็นวิธีที่สร้างสมาธิสร้างมโนภาพและเข้าหลักอภิธรรมชั้นสูงคือให้เพ่งดูภูมิภาพที่อยู่ตรงหน้าซึ่งอาจจะเป็นสวนหรือเป็นป่าหรือเป็นภูเขาสูงดูให้จำได้มีต้นไม้ชนิดใดมีดอกไม้ชนิดใดต้นไม้ใหญ่มีรูปร่างอย่างใดดูจนกระทั่งจาได้แล้วก็หลับตาให้เห็นภาพนั้นอย่างถี่ถ้วน ถ้ายังไม่ได้ภาพถีถ้วนก็ให้ลืมตาขึ้นดูใหม่ทำการจดจำใหม่ดูไปจนกว่าจะจำให้ได้ถีท่วนจริงๆแล้วก็หลับตาให้มองเห็นภาพนั้นทั้งหมดในขณะที่หลับตาเพ่งเห็นภาพนั้นให้ได้ตลอดเป็นระยะเวลานานครั้นแล้วก็สร้างมโนภาพให้เห็นสิ่งเหล่านั้นสุดโทมเหี่ยวแห้งลงไปดอกไม้ที่มีสีสดใสก็กลายเป็นสีอ่อนและเหี่ยวแห้งร่วงหลน่น ใบไม้ที่เขียวเจ้อุ่มก็ให้กลายเป็นใบไม้แห้งร่วงหล่นหมดไปเหลือแต่ลำต้นแล้วลำต้นนั้นก็ค่อยสุดโทมผูพังไปทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปจนไม่มีอะไรเหลือนอกจากพื้นดินพิจารณาพื้นดินให้เห็นก้อนดินก้อนหินพร้อมด้วยความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลายเป็นปฐวีาธาตุแล้วในที่สุดก็ให้แผ่นดินนั้นหายไปด้วยพระธิเบตอ้างว่าการเพ่งอย่างนี้ทางหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าอารูปฌาน คือเห็นสิ่งที่เป็นรูปก้อนแล้วรูปนั้นก็หมดไปจนกลายเป็นไม่มีรูปเรื่องอรูปฌานนั้นมีอยู่จริงในทางพุทธศาสนาของเราและถือว่าชาติที่มีความสำคัญมากอาจจะเป็นเพราะการเพ่งอย่างนี้ทําให้เกิดความคิดในทางไม่เที่ยงแท้ซึ่งเป็นอนิจจังและมีอนัตตาเป็นที่สุดวิธีเพ่งของพวกพระและพวกมายาการนั้นมักเป็นวิธีอย่างเดียวกันแต่ก็แปลความหมายและวิธีใช้ไปคนละอย่าง เช่นวิธีเพ่งภูมิภาพดังกล่าวข้างต้นนั้นพวกพระอธิบายว่าเป็นกุศลเพราะทำให้เชื่อแน่ว่าในทางสิ่งที่ไม่มีรูปให้เห็นอนัตตาอย่างแจ่มชัดแต่พวกมายาการก็อธิบายว่าเป็นสิ่งที่จะใช้สำหรับลงโทษผู้กระทาผิดเพราะถ้าบ้านเรือนไร่นาเรื่องสวนของผู้ใดถูกมายาการเพ่งเข้าอย่างนั้นบ่อยๆก็อาจจะร่วงโรยเสียหายและเกิดผลร้ายแก่เจ้าของวิธีเพ่งอีกหลายอย่าง ที่ใช้กันในทางพระและทางมายาการพระอธิบายอย่างหนึ่งพวกมายาการอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งเช่นในวิธีการเพ่งต่อไปนี้การเพ่งเพื่อสร้างความมหัศจรรย์มีวิธีเพ่งให้ตัวเองเป็นอย่างอื่นแล้วสร้างตัวปลอมขึ้นการเพ่งอย่างนี้อาจารย์สอนให้เลือกเอาของที่แข็งแรงคือให้เดินไปหาจนกว่าจะพบของที่มั่นคงแข็งแรงมากๆสักอย่างหนึ่งเช่นต้นไม้ใหญ่ใหญ่หญพอที่แรงลมหรืออะไรจะโค่นให้ล้มไม่ได้ แม้จะถูกลมพัดให้กิ่งใบหวั่นไหวลำต้นก็ไม่โยกโคลงสิ่งที่ดีที่สุดและที่หาง่ายกว่าคือศิลาก้อนให ญ, ใหญ่เมื่อพบเข้าก็ให้นั่งเพ่งดูของสิ่งนั้นสมมุติว่าเป็นศิลาก้อนใหญ่มะหึมมาก้อนหนึ่งก็ให้เพ่งจนภาพศิลาก้อนนั้นติดตาเป็นอุคหานิมิตแม้หลับตาก็แลเห็นก้อนศิลานั้นให้พยายามรักษาภาพที่ติดตานั้นไวให้อยู่มั่นคงที่สุด แล้วก็เพ่งให้ตัวเองกลายเป็นก้อนศิลานั้นหรือให้ก้อนศิลาก้อนนั้นเข้ามากลายเป็นตัวเราเองเป็นอันว่าตัวเราหายไปให้เห็นแต่ก้อนศิลาก้อนเดียวรักษาภาพก้อนศิลานั้นไว้ให้แน่วแน่ครั้นแล้วก็เพ่งต่อไปอีกให้เกิดมีตัวคนขึ้นอีกคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวเราตัวจริงของเราอยู่ที่ก้อนศิลาก้อนนั้น ตัวคนที่เราเพ่งสมมุติขึ้นอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวปลอมมนุษย์ทั้งหลายอาจจะเห็นตัวปลอมโดยสำคัญว่าเป็นตัวจริงแต่ตัวจริงของเราอยู่ที่ก้อนศิลาพระชาวทิเบตอ้างว่าวิธีเพ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่พระพุทธโคสาจารย์สอนไว้หมายถึงพระพุทธโคสาจารย์ที่แต่งคัมภีร์วิสุทธิมักท่านผู้อ่านที่ได้ศึกษาคัมภีร์ของพระพุทธโคสาจารย์อย่างลึกซึง้งอาจจะบอกได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่วิธีเพ่งอย่างนี้ ทางพระของที่เบต์อธิบายว่าสำหรับที่จะให้แน่วแน่ว่าตัวตนของเราที่แลเห็นอยู่ในเวลานี้อันที่จริงเป็นของหลอกของปลอมเหมือนตัวคนที่เราคิดสมมุติขึ้นให้เป็นตัวปลอมส่วนตัวจริงคือตัวที่แท้จริงของเรานั้นก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากเป็นปัตวีธาตุอย่างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหรือศิลาก้อนหนึ่งเท่านั้นพระอธิบายว่าวิธีเพ่งอย่างนี้จะทาให้เราหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวล หมดความโลภความโกรธความหลงแต่พวกมายาการก็ใช้วิธีเพ่งอย่างนี้และอธิบายว่าเป็นวิธีทําให้อยู่ยงคงกระพันเท่ากับตัวเราอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงหรือก้อนหินที่ไม่มีใครทุบทําลลายได้คนทั้งหลายจะเลเห็นตัวเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จะเอาเราไปทุบตีหรือทําอะไรก็ไม่มีอันตรายใครจะทุบตีทาร้ายเราอย่างไรก็เหมือนทุบก้อนหินหรือทุบตีต้นไม้ใหญ่ พวกมายาการได้ใช้วิธีเพ่งอย่างนี้และสอนให้สิทธิเพ่งอย่างนี้เพื่อความอยู่ยงคงกระพันไม่ต้องสงสยัยสำหรับคนทั่วไปย่อมจะเลื่อมใสในคำอธิบายของมายาการมากกว่าของพระวิธีเพ่งอย่างหนึ่งคือเพ่งถอดร่างของตัวเองออกเป็นชิ้นๆเพ่งให้เห็นเป็นว่าถอดเอาหัวใจไปไว้นอกร่างของตัวให้เห็นแขนขาถูกถอดออกไปทีละข้างดวงตาและส่วนต่างๆของร่างกายถูกถอดออกไป ทางพระอธิบายว่าวิธีเพ่งอย่างนี้มีผลในทางทำให้แลเห็นความแตกแยกของสังขารเห็นความแตกดับเป็นที่สุดและเมื่อถึงความแตกดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแยกออกไปร่างกายเป็นของไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่พวกมายาการอธิบายว่าการเพ่งอย่างนี้ถ้าทําได้มากครั้งและทําอยู่เสมอก็จะเป็นคนที่ใครฆ่าไม่ตายถ้ารู้สึกว่าจะได้รับอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ให้เพ่งเอาหัวใจออกจากตัว แล้วก็จะเป็นบุคคลที่ใครฆ่าไม่ได้คำอธิบายของมายาการเช่นนี้ก็มีผู้เลื่อมใสนับถือทั้งในทิเบตและในประเทศอินเดียวันคดีรามเกียรติ์ของอินเดียตอนทศกัณฐ์ถอดหัวใจออกก็มาจากความคิดอันนี้เราจะได้เห็นในเรื่องรามเกียรติ์ว่าทศกัณฐ์นั้นฆ่าไม่ตายเพราะถอดหัวใจไปเก็บไว้ต้องเอาหัวใจมาขยี้ด้วยจึงถึงแก่ความตายรวมความว่าทางพระกับทางมายาการนั้น วิธีฝึกฝนก็เป็นอย่างเดียวกันวิธีเพ่งวิธีปฏิบัติก็เป็นทํานองเดียวกันแต่อธิบายในความคิดไปคนละอย่างทางพระอธิบายให้ความคิดไปในทางหมดกิเลสและมีนิพพานเป็นเบื้องหน้าส่วนทางมายาการอธิบายไปในทางริดเดทเรื่องของทิเบต ท, ที่มีอยู่อย่างนี้เรื่องของทางพระนั้นเข้าใจง่ายเพราะตรงกับความคิดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่ในเมืองไทยเราแล้วแต่เรื่องของมายาการนั้น เป็นปัญหาที่ควรจะศึกษาพิจารณากันต่อไปไม่ใช่ว่าทางมายาการจะดีกว่าทางพระแต่เป็นเพราะถือว่าเป็นเรื่องควรศึกษาหาความรู้เรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความมหศัศจรรย์ทางจิตเท่านั้นประวัติศาสตร์ของทิเบตและเรื่องโบราณดึกดําบันได้แสดงชัดว่าทิเบต ร, รู้จักเรื่องมายาการและความรู้ลึกลับเหล่านี้มาช้านานก่อนรู้จักพระพุทธศาสนาแม้ในขณะที่พระพุทธศาสนายัางมิได้แผ่เข้าไปถึง ความนับถือและเลื่อมใสในพูดผีปีศาจและดวงวิญญาณก็มีอยู่มากมายแล้วเมื่อได้พระศาสนาเข้าไปก็ได้นำความคิดทางพระพุทธศาสนาและทางโยค่าของอินเดียเข้าไปผสมพวกค้นคว้าวิชาลึกลับทั้งในทางประเทศจีนและประเทศอินเดียพากันเดินทางเข้าไปเป็นจำนวนมากเพื่อค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องมายาการของทิเบตการที่ทิเบตเป็นประเทศแห่งมายาศาสตร์ หรือมายาการตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายอธิบายได้โดยฐานะทางภูมิศาสตร์ของทิเบตเองได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการที่ทิเบตตั้งอยู่ในที่สูงและดินฟ้าอากาศชวนให้นึกถึงสิ่งลึกล้าโลดโพนชวนให้คนคิดสมบัติบ้าชวนให้สร้างมโนภาพและมโนคติอันแรงกล้าชวนให้คิดค้นว่าภายใต้หรือในระหว่างดวงดาวทั้งหลายกับพื้นแผ่นดินนั้น มีอะไรลึกลับอยู่เสมอดวงจิตของชาวทิเบตยอยู่ใต้อิทธิพลของดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศอย่างนี้มาตลอดการจึงไม่เป็นการประหลาดอย่างใดที่ชาวทิเบตจะมีนิสัยในวิชาลึกลับซึ่งชนทุกชาติทุกภาษาก็ต้องยอมรับว่าไม่มีชนชาติใดในโลกจะค้นคว้าศึกษาวิชานี้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันเหมือนอย่างทิเบตวิธีการฝึกฝนอย่างรุนแรงทั้งหลายแหล่เริ่มต้นตั้งแต่การเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อทําการฝึกฝนเรื่องขจัดความกลัวการเข้าใจในระบบอันร้ายแรงเช่นมีชีวิตยอยู่ในความมืดตลอดเวลาถึงหนึ่งปีการเสี่ยงภัยกับความเจ็บไข้เช่นโรคปอดบวมสําหรับสร้างความอบอุ่นขึ้นในตัวและวิธีการอนุรุนแรงทั้งหลายดังกล่าวมาข้างต้นนั้นก็ดูเหมือนจะมุ่งผลเพียงสองอย่างอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดกําลังหรือปลูกกําลังซึ่งมีอยู่ในตัวให้แข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อสร้างสมาธิอันแรงกล้า กำลังที่มีอยู่หรือที่ปลุกขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วประกอบด้วยสมาธิจิตอันแรงกล้าเป็นเครื่องมืออันเดียวที่จะสร้างความสำเร็จต่างๆในทางมายาศาสตร์และมายาการกระแสจิตกับกระแสไฟฟ้าหลักวิชาและคำอธิบายของพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหล วิธีปฏิบัติของเขานั้นถึงแม้จะจูงความเห็นความเชื่อถือไปในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดาอะไรก็าตามทีถ้าเรามาลองพิจารณาตามความคิดอย่างสมัยใหม่ก็จะเห็นได้ว่าหลักการอันแท้ จ, จริงของพวกนี้เป็นวิทยาการแท้ชาวทิเบตรู้เรื่องกระแสไฟฟ้ามาแต่โบราณดึกดำบัน ไม่ใช่รู้จักในฐานะที่จะเอามาแปลงเป็นวัตถุทำแสงสว่างหรือสร้างพลังงานเดินเครื่องจักรอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่รู้จักสำหรับที่จะใช้กับดวงจิตกล่าวกันอย่างเข้าใจง่ายๆในปัจจุบันนี้วิธีการของทิเบตนั้นก็คือถือว่ากระแสะไฟฟ้าเป็นของที่มีอยู่และสามารถจะใช้ติดต่อกับคนได้ตัวคนที่สามารถติดต่อกับกระแสะไฟฟ้าในจั ก, กรวาลได้นั้น ก็จําเป็นต้องสร้างหรือปลูกกําลังขึ้นในตัวให้เพียงพอเริ่มตั้งแต่การขจัดความกลัวออกไปทําให้กําลังกายดีเพราะมนุษย์เราเมื่อขจัดความกลัวออกไปเสียอย่างเดียวแล้วก็ย่อมมีสุขภาพอันดีทั้งในทางกายและทางจิตต่อมาก็ฝึกฝนเรื่องสร้างความอบอุ่นขึ้นในร่างกายจนสามารถต่อสู้ความหนาวถึงกับลงไปอาบน้ําในลําธารที่เยือกเย็นเป็นน้ําแข็งหรือเปลือยกายอยู่กลางหิมะได้เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่น การฝึกฝนสร้างความอบอุ่นขึ้นในร่างกายนี้ก็เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นในตัวเองและวิธีการอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดใจให้เป็นสมาธินั้นก็เท่ากับเป็นเครื่องมือที่จะส่งกระแสให้มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นวิธีของทิเบตเป็นวิธีเรื่องไฟฟ้าจริงๆดังจะเห็นได้ว่าเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับความดีความร้ายนั้นล้วนแต่ใช้โลหะ ซึ่งตามความเข้าใจของเราในปัจจุบันนี้โลหะย่อมเป็นสื่อหรือเป็นที่เก็บกระแสะไฟฟ้าได้ดีกว่าอย่างอื่นเครื่องรางต่างๆที่ถือกันว่าเป็นเครื่องคุ้มภัยหรือนำสิริมงคลมาให้เป็นเครื่องป้องกันผีสางหรือสัตว์ร้ายโดยลักษณะของเครื่องรางนั้นล้วนเป็นโลหะและพระที่เปตเองก็อธิบายว่าโลหะที่เป็นเครื่องรางนั้นคือเครื่องรองรับกระแสะจิตของผู้ทำเก็บกําลังความศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ เพื่อกระจายออกไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ต่อไปหลักลทัทธิอันนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีของทิเบตเป็นเรื่องไฟฟ้าแท้มีดมหัศจรรย์ที่ใช้ไปฆ่าคนสำหรับการประทุษร้ายนั้นวิธีที่มายาศาสตร์ทิเบตชอบใช้มากที่สุดคือมีดมีดเหล็กที่ทำอย่างคมและแหลมสามารถจะเชื่อดหรือแทงคนให้ถึงแก่ความตายได้มีดเหล่านี้พวกมายาการได้ทำเตรียมไว้แต่ต้องไม่ทำเป็นจำนวนมากนัก วิธีการที่ทำนั้นคือเอามีดนั้นมาเข้าบริกรรมและเพ่งให้กระแสะจิตเข้าสู่มีดการบริกรรมอย่างนี้ก็ต้องทำเป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าจะเชื่อแน่ว่ากำลังกระแสะจิตได้เข้าไปอยู่ในมีดนั้นเพียงพอถ้าจะใช้มีดนั้นทำร้ายใครก็เพ่งให้เป็นภาพของตัวคนคนนั้นและให้เห็นหมีดนั้นกระโดดเข้าเชือดคอการเพ่งอย่างนี้ก็ว่าต้องทำไปอีกนานเหมือนกันเมื่อทำได้ทั้งสองขั้นนี้แล้ว ไม่ใช่ว่ามีดจะมีริบบินไปเชื้อดคอคนได้อย่างที่เล่ากันโดยมากความจริงต้องเอามีดนั้นไปทิ้งไว้ในป่าหรือในที่ที่บุคคลผู้รับเคราะห์นั้นจะสามารถมาแตะต้องกับมีดได้เช่นต้องคอยดูว่าบุคคลผู้นั้นชอบไปตัดไม้ตัดฟืนหรือหาของป่าหรือทำอะไรที่ไหนแล้วเอามีดไปทิ้งไว้ที่นั่นถ้าบุคคลผู้นั้นแตะต้องกับมีดนั้นเข้าเมื่อไรทางที่จะสังหารก็มีขึ้นได้หลายทางทางหนึ่ง ถ้าเอามีดนั้นไปใช้ทำอะไรและเพียพ้ยพราบาดมือเอาก็จะเกิดแผลร้ายที่รักษาไม่หายและถึงแก่ความตายแต่ทางที่เชื่อกันมากที่สุดนั้นคือว่าผู้ที่ได้พบมีดอย่างนี้เข้ามักจะชอบและเก็บไว้สำหรับตัวต่อมาก็เกิดเรื่องขุนคล้องหมองใจเบื่อหน่ายในชีวิตลงท้ายก็ใช้มีดนี้ฆ่าตัวตายด้วยเหตุนี้จึงถือกันนักหนาในทิเบต ว่าถ้าไปพบมีดพระตกหล่นเข้าที่ไหนไม่ให้หยิบจับเอามาใช้ผู้ที่ต้องการจะฆ่ากันก็ต้องสแสวงหาวิธีอื่นคือต้องแอบดูให้รู้ว่าบุคคลที่ต้องการให้รับเคราะห์นั้นใช้มีดอย่างไรแล้วก็หามีดอย่างเดียวกันไปให้อาจารย์ทำทำเสร็จแล้วก็ลอบเอามาเปลี่ยนกับมีดที่คนนั้นใช้และคนคนนั้นก็อาจจะหยิบมีดขึ้นใช้โดยไม่มีความสงสยัย หลักการในเรื่องมีดนี้ก็เป็นเรื่องไฟฟ้าเช่นเดียวกันคือไม่ใช่ว่ามายาการจะเสกมีดให้บินมาเชือดคอคนอย่างที่ชอบพูดกันในเรื่องอื่นๆวิชาการของที่เบตต้องมีการแตะต้องตราบใดที่ยังไม่ไปแตะต้องกันเข้าก็ไม่มีผลเหมือนกระแสไฟฟ้าที่แล่นไปตามสายถ้าไม่เอามือไปแตะต้องเข้าก็ไม่เกิดผลในทางดูดดึงหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของทิเบตเป็นเรื่องไฟฟ้าซึ่งบังคับด้วยกระแสจิตของบุคคลที่สร้างกํำลังไฟฟ้าไว้ในตัวอย่างมากแล้วและด้วยเหตุนี้มายาศ า, ศาสตร์ของทิเบตจึงได้รับความสนใจค้นคว้ามากกวามายาศาสตร์ของชาติใ ด, ดในสมัยปัจจุบันเพราะมีวิธีซึ่งอาจจะอธิบายได้โดยวิชาการทางสมัยใหม่ถึงแม้ว่าความเชื่อถือของคนทั่วไปในทิเบตจะเป็นเรื่องพูดผีและวิญญาณและถึงแม้ว่า การฝึกฝนเบื้องต้นจะเกี่ยวกับพูดผีและวิญ ญ, ญาณก็ดีเมื่อมาถึงขั้นสูงอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลืมเรื่องพูดผีและวิญ ญ, ญาณกันเสียหมดวิธีการที่เกี่ยวกับขั้นสูงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพูดผีและวิญญาณเลยเป็นแต่เรื่องอำนาจจิตหรือความมหัศจรรย์ทางจิตเท่านั้นเคล็ดของความศักดิ์สิทธ นักศึกษาขั้นสูงของทิเบตเองก็เข้าใจความจริงในข้อนี้และรู้กันทั่วไปว่าความศักดิ์สิทธิ์มหาจัจจ์ทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดจากทางอื่นแต่เกิดมาจากหัวใจของมนุษย์เองสิ่งที่มนุษย์เคารพ บ, บูชาโดยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษได้นั้นไม่ใช่ว่าความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากตัวสิ่งนั้นแต่เกิดจากหัวใจของมนุษย์ที่ไปเคารพ บ, บูชาเข้า ความเคารพบูชาของคนเท่านั้นที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเทพพญดาหรือเป็นวัตถุอันหนึ่งอันใดถ้าเลื่อมใสกันเข้าจริงๆบูชากันเข้าจริงๆดวงจิตหลายพันดวงไปช่วยกันยกย่องว่ามีความศักดิ<ๆ>์สิทธิ์ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนื่องจากกระแสดวงจิตของมนุษย์เข้าไปสิงสู่อยู่ในนั้นที่เบธมีสุภา ษ, ษิตว่าการสักกา ร, ระบูชา อาจจะทําให้ฟันสุนัขส่องแสงโชดช่วงขึ้นมาได้เป็นสุภาษิต ท, ที่มีมาแต่โบราณเนื่องมาจากเรื่องราวที่เล่ากันมาแต่โบราณเหมือนกันคือมีเรื่องเล่าว่าสตรีผู้หนึ่งมีพระทันตาธาตุของพระสารีบุตรอัครมหาสาวกของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่เคารพบูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากสามารถบรรดาลสิ่งซึ่งเป็นสิริมงคลป้องกันภัยอันตรายรักษาโรคภัยไข้เจ็บและในบางครั้ง ก็เปล่งรัศมีชดช่วงซึ่งสตรีผู้นั้นสามารถจะให้เพื่อนบ้านไปนั่งดูให้เห็นประจักษ์ได้สิ่งซึ่งถือกันว่าเป็นพระธนท่นทาทัศ์ของพระสารีบุตรนั้นจึงได้รับความเคารพสักการะของประชาชนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ได้ผลดีได้จริงบางครั้งบางคราวก็มีรัศมีชดช่วงออกมาได้จริงด้วยสตรีผู้เป็นเจ้าของเล่าว่าเขามีลูกชายคนหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปมาค้าขายกับอินเดียปีละครั้งสตรีผู้นี้สั่งลูกชายว่าให้สแสวงหาพระาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มาไว้ให้มันดาบูชาสักองค์หนึ่งปีแรกไปหาไม่ได้ปีที่สองก็หาไม่ได้ไปหาได้เอาปีที่สามและได้พระทันตาธาตุของพระสารีบุตรมาและให้ความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านต้องยอมรับว่าเป็นพระาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์จริง แต่เพื่อนเดินทางที่ไปกับลูกชายของสตรีผู้นี้เล่าว่าลูกชายของสตรีผู้นี้ได้พยายามสแสวงหาพระธาตุเพื่อให้สมประสงค์ของมารดาหาเท่าไหรก็ไม่ได้ครั้งที่หนึ่งก็หาไม่ได้ครั้งที่สองก็หาไม่ได้และมารดาก็มีความโทมนัสโกรธแค้นมากขึ้นทุกทีลูกชายของสตรีผู้นี้จึงตกลงใจว่าจะพบอะไรเข้าก็ตามทีจะต้องเอามาหลอกแม่ว่าเป็นพระธาตุเพื่อให้แม่หมดความโทมนัสและดูด่าว่ากล่าว เขาไปเจอร่างกระดูกของสุนัขนอนตายอยู่แห่งหนึ่งก็แก่เอาฟันอันหนึ่งมาบอกแม่ว่าเป็นพระธนตธาตุของพระสารีบุตรแม่ก็เลื่อมใสบูชาคนอื่นๆก็เลื่อมใสมีคนแตกตื่นมาเคารพ บ, บูชากันมากมายเลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเรื่องที่เล่ากันอย่างนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามทีย่อมจะมีผลเท่ากันคือถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นพิสูจน์อันแน่ชัดว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุธาตุหรือรูปปั้นสั ญ, ญลักษณ์อันใดอันหนึ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในตัวของมันเองแต่เกิดจากจิตใจมนุษย์ที่เคารพ บ, บูชาถ้าหากเรื่องที่เล่ามานี้เป็นเรื่องที่คิดประดิษฐ์กันขึ้นโดยไม่มีมูลความจริงก็แสดงให้เห็นว่าชาวทิเบตได้เข้าใจอยู่แล้วว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดขึ้นจากหัวใจของมนุษย์เรานี้เองเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตแท้สตรีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นำมากล่าวนี้ ได้เขียนเล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ตนอยู่ในทิเบตเองว่าครั้งหนึ่งมีคนมาพูดว่าที่ข้างทางเดินในซอกเขาแห่งหนึ่งมีสัตว์อะไรไม่มีใครรู้จักมีขนยาวมีหูยาวกระดิกได้ตัวอยู่ใต้ดินโผล่ขึ้นมาแต่หูข้างหนึ่งมีคนไปดูกันมากแต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแม้แต่ว่าจะเข้าไปใกล้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์อะไรสามารถนอนจมอยู่ใต้หิมะ โผล่ขึ้นมาแต่หูซึ่งกระดิกไปมาอาการกระดิกของหูนั้นไม่มีอยู่เสมอนานๆจึงจะมีสักครั้งหนึ่งและก็ปรากฏแก่ตาคนมากๆเมื่อแน่ใจว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตก็ต้องคิดไปในทางที่ว่าเป็นปีศาจและเมื่อเป็นของประหลาดที่มีขึ้นมาใหม่ถึงพระลามะที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้ามาปราบเพราะไม่เคยเห็นปีศาจชนิดนี้ จึงไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรขืนปราบไปโดยไม่แน่ใจถ้าปีศาจ ต, ต่อสู้เข้าพระรามะเองก็อาจจะพ่ายแพ้ได้และภัยก็จะบังเกิดขึ้นแก่คนทั้งหมู่บ้านเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหลืออยู่ทางเดียวคือคนทั้งหมู่บ้านต้องเคารพ บ, บูชาทุกๆวันก็มีทูบเทียนมาจุดบูชาคนเดินทางที่เดินผ่านไปมาแลเห็นเข้าเลยไปบูชาด้วยยิ่งบูชากันไปมากๆสิ่งที่แลเห็นเป็นหูของสัตว์นั้นก็ยิ่งกระดิกให้คนเห็นได้ ความศักดิ์สิทธิ์ก็มีขึ้นทุกทีเรื่องที่สิ่งของนั้นกระดิกได้นั้นเป็นความจริงยิ่งไปยืนเพ่งดูกันมากๆคอยดูการกระดิกก็สามารถจะกระดิกให้ดูได้ง่ายๆโดยไม่เกี่ยวกับแรงลมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะในเวลาที่ลมเงียบสงัดของสิ่งนั้นก็กระดิกอยู่บนหิมะเหลือวิสัยที่จะคิดว่าเป็นอย่างอื่นนอกจากจะเชื่อว่าเป็นปีศาจใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งพระลามะและพวกมายการที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่สามารถจะขบปัญหาลงไปได้ เลยต้องยอมเคารพ บ, บูชาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนั้นก็มีมากขึ้นทุกทีคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บไปบูชาขอให้รักษาก็ปรากฏว่ามีคนหายด้วยการรักษาของวัตถุนั้นเป็นอันมากสิ่งนั้นจะยอมรักษาหรือไม่ยอมรักษาย่อมรู้ได้ง่ายคือถ้าไปบูชาและวิงวอนให้รักษาถ้าสิ่งนั้นกระดิกขึ้นมาก็เป็นที่รู้ว่ายอมรักษาและโรคภัยที่เป็นก็หายได้จริงถ้าไม่กระดิกก็แปลว่าไม่ยอมรักษา เรื่องได้เป็นมาเช่นนี้ตลอดเวลาหลายเดือนจนกระทั่งหมดฤดูหนาวหิมะละลายความจริงในของสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นคือเป็นแต่หมวกคลุมศีรษกของคนเดินทางซึ่งทำเป็นขนสัตว์ไว้ข้างในมีชายห้อยออกมาสองข้างซึ่งใช้ปกลงมาที่แก้มและรัดที่คางของสิ่งนั้นตกจมอยู่ในหิมะเหลือแต่ชายข้างหนึ่งโผล่อยู่อาจจะถูกลมพัดในเวลาอื่นซึ่งทาให้สลัดหิมะออกไปได้ และความเย็นซึ่งมาจับเกาะเป็นน้ำแข็งทำให้ชายชายนั้นตั้งแข็งชูอยู่ได้เสมอเลยแลเห็นเป็นหูสัตว์ที่มีขนยาวโผล่ขึ้นมาจากหิมะเมื่อหิมะละลายไปหมดแล้วก็เลยเห็นกันชัดว่าเป็นเพียงแต่หมวกใบหนึ่งพอถึงฤ ด, ดูแล้งก็มีหมู่คนเดินทางหมู่หนึ่งผ่านมาคนหนึ่งในหมู่นั้นก็บอกแก่ชาวบ้านว่าสิ่งนั้นคือหมวกของเขาเอง ครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินมาถึงตรงนี้ลมพัดอย่างแรงเขาไม่ได้กัดกระดุมที่รัดคางหมวกไว้ให้เรียบร้อยหมวกนั้นจึงปลิวไปเป็นธรรมเนียมของชาวทิเบตถ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดปลิวออกไปจากตัวด้วยแรงลมก็ถือว่าผีแย่งและจะไปเอาคืนมาอีกไม่ได้เลยต้องทิ้งหมวกนั้นไว้การที่ชาวบ้านได้ฟังคาอธิบายอย่างนั้นแทนที่จะหมดความเลื่อมใสในหมวกนั้นเพราะเห็นชัดว่าเป็นหมวก ครับมีความเลื่อมใสศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างเดิมเพราะเชื่อว่าหมวกชนิดนี้ไม่หลุดไปจากศรีรษะได้ง่ายๆการที่เกิดลมแรงถึงกับทำให้หมวกหลุดไปจากศรีรษะนั้นก็แปลว่าผีแย่งอย่างแน่นอนอย่างน้อยหมวกใบนี้ผีก็ยังต้องการใช้อยู่และผีอาจจะใช้มาตลอดฤดูหนาวจึงยังเคารพ บ, บูชาหมวกนั้นอยู่สตรีผู้เขียนหนังสือที่นำมากรานี้อธิบายว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ สตรีผู้นี้ไม่ปฏิเสธในข้อที่ว่าชายหมวกนี้อาจจะกระดิกได้เหมือนหูสัตว์เพราะเมื่อใจมนุษย์หลายสิบหรือหลายร้อยดวงไปจดจ่ออยู่กระแสจิตของมนุษย์นั่นเองก็สร้างความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ขึ้นมาไม่เป็นการประหลาดอะไรเลยที่เมื่อคนไปวิงบอลขอให้รักษาโรคแล้วของสิ่งนั้นจะกระดิกได้ พราะความนับถือและการทําใจเป็นสมาธิของชาวทิเบตนั้นมีนิสัยแน่ๆอยู่มากแล้วยิ่งเวลามีทุกข์มีร้อนและไปตั้งใจวิงวอนเข้ากระแสะจิตย่อมจะมีกําลังแรงแรงพอที่จะทําให้ของสิ่งนั้นได้รับความกระทบเคลื่อนไหวก็ได้หรือในตาของตนเองอาจจะแลเห็นไปเองก็ได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวขึ้นจะเป็นด้วยมีขึ้นจริงๆหรือด้วยอุปาทานก็ตามทีความเชื่อมั่นก็บังเกิดขึ้น คือเชื่อว่าผีประหลาดอันนั้นจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บคราวนี้กําลังจิตของตัวเองก็ไปช่วยรักษาสตรีผู้นี้กล่าวว่าพระธิเบศผู้มีความรู้อย่างสูงเมื่อได้ฟังเรื่องนี้เข้าก็ยอมรับว่าความเห็นของสตรีผู้นี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากหัวใจคนที่เคารพ บ, บูชา สิ่งที่เคารพ บ, บูชาว่าศักดิ์สิทธิ์อาจจะแสดงปาฏิหาริย์อะไรออกมาให้เห็นก็ได้ไม่ใช่ด้วยอนุภาพพิเศษอะไรของของสิ่งนั้นแต่ด้วยกระแสจิตของคนที่ไปเคารพ บ, บูชานั่นเองเรื่องเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ชาวทิเบตได้จับหลักเรื่องความมหัศจรรย์ทางจิตได้ถูกต้องเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่อธิบายหรือไม่ชอบคำอธิบายในทางวิชาการอย่างที่พวกเราสมัยใหม่อธิบายกันแต่การกระทำของเขานั้นเองอธิบายให้เราเห็นว่าดวงจิตของมนุษย์มีความมหัศจรรย์อยู่เป็นอันมากเรื่องพูดผีปีศาจเป็นแต่เรื่องประกอบแต่หลักวิชาชั้นสูงของทิเบตนั้นอยู่ที่ดวงจิตโดยแท้ทางเกิดของความมหัศจรรย์ ตามความคิดของทิเบตซึ่งก็น่าจะเป็นความคิดของนักศึกษาทางจิตโดยทั่วไปความมหัศจรรย์อาจเกิดขึ้นได้สองทางคือหนึ่งโดยไม่ตั้งใจให้เกิดแต่เผอิญเป็นความคิดที่แน่วแน่หนักแน่นของคนยิ่งมากคนเกิดมีความคิดเป็นอันเดียวกันก็ยิ่งจะสร้างความมหัศจรรย์ได้มากสองเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้มีความรู้ทางวิชาการ และได้รับการฝึกฝนอย่างดีวิธีที่จะทำความมหัศจรรย์นั้นตามหลักของทิเบตมีไว้สวิธี 1. อาจจะใส่กำลังแรงลงไปในของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและถ้าเป็นโลหะก็ยิ่งทำง่ายของที่ใส่กำลังแรงลงไปนั้นอาจใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายทางดีได้แก่เครื่องป้องกันพยันตรายทางร้ายได้แก่เครื่องทาอันตรายเช่นเรื่องมีดที่กล่าวมาข้างต้น 2. อาจจะสร้างรูปอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นได้และรูปที่สร้างขึ้นนั้นจะไม่เฉพาะแต่ให้คนเห็นยังอาจจะกระทบถูกต้องได้ด้วยสาอาจจะจูงจิตคนที่ให้คิดเห็นในทางหนึ่งทางใดไ ด, ได้หัวข้อทั้งสองพวกที่กล่าวมาข้างต้นนี้เราต้องจับเอามาผสมกันจึงจะได้หลักวิชาการของทิเบตยอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นหมวกที่จมลงไปในหิมะถูกความคิดของคนเป็นอันมากเชื่อถืออย่างหนักแน่นว่าต้องเป็นปีศาจ ความคิดอันหนักแน่นนั้นทำให้เกิดกำลังขึ้นในของสิ่งนั้นเป็นกำลังถึงกับอาจจะสร้างความเคลื่อนไหวได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้หลักอันนี้ก็ดูเหมือนจะมีอยู่ทั่วๆไปในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมจะมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนไปเคารพ บ, บูชาเข้าการที่ไปเคารพ บ, บูชาเข้านั้นอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความตั้งใจในทางดีแท้เราเคยได้ยินความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ใหญ่ หรือก้อนศีลาใหญ่ๆซึ่งกล่าวกันว่ามีเทพเจ้าสิงอยู่สามารถจะบันดาลผลดีหรือผลร้ายให้แก่มนุษย์ได้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงแต่ไม่ใช่มีโดยธรรมชาติของสิ่งนั้นเองมีด้วยหัวใจของมนุษย์ที่ไปเคารพบูชาได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการเอากําลังเข้าไปใส่ในของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามวิธีของทิเบตนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจในทางไฟฟ้าแต่เป็นความเข้าใจที่เหมือนกับความเข้าใจในปัจจุบัน ความเข้าใจของเขาก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันเพราะกระแสจิตของมนุษย์ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับกระแสไฟฟ้าและเมื่อเป็นกระแสไฟฟ้าได้ก็อาจจะเข้าไปอยู่ในโลหะอย่างใดได้เรื่องมีดนั้นเป็นเรื่องที่นับถือกันมากและมีพิธีรีตองมากมายาการที่สร้างมีดเข้าไว้สำหรับใช้ลงโทษบุคคลที่ตนเห็นว่าตามความยุติธรรมควรจะได้รับโทษนั้นจะทาไวมากนักไม่ได้ พรมีดเหล่านั้นเมื่อสร้างเข้าไว้แล้วก็มีความจําเป็นต้องได้กินเลือดมนุษย์ถ้าสร้างเข้าไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็ต้องคอยเอาเลือดของผู้สร้างเองมาทาไว้ให้รวมความว่าเป็นอาวุธที่ต้องมีเลือดเป็นอาหารอยู่เสมอถ้าไม่ได้อาหารจากที่อื่นก็ต้องเอาอาหารจากผู้ทําถ้าหลงลืมทิ้งไว้ช้านานมีดนั้นก็อาจจะสังหารตัวผู้ทําเองได้นี่เป็นเรื่องที่เชื่อกันและระมัดระวังกันอยู่ในพวกมายาการที่เบส สตรีผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้นำมากล่าวนี้เขียนไว้ว่าตนเองได้พบพระลามะรูปหนึ่งอาจารย์ถึงแก่ความตายไปแล้วมีมีดใบรรยาการอย่างนี้เหลืออยู่หนึ่งเล่มจึงมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่สิทธิ์และพระลามะผู้นี้ก็ได้มีดนั้นมาได้พบสตรีผู้นี้ในระหว่างเดินทาง ก็บอกให้ทราบว่าในการที่เขาเดินทางมานี้เขามีมีดมายาการติดมาเล่มหนึ่งซึ่งตัวเขาไม่อยากได้ไว้เลยเพราะไม่มีทางที่จะใช้และจะทิ้งไว้นานโดยไม่ใช้ก็เกรงจะเกิดอันตรายแก่ตัวจะทิ้งไปให้ใครไปเสียก็ไม่ได้เพราะเป็นมรดกที่อาจารย์ให้ไว้เกรงว่าถ้าทิ้งหรือให้คนอื่นไปเสียอาจารย์จะโกรธและก็จะเกิดผลร้ายได้เหมือนกัน สตรีผู้นั้นขอดูมีดนั้นและพระลามะนั้นก็ให้ดูด้วยความไม่เต็มใจให้ดูอย่างขัดไม่ได้เป็นครั้งแรกที่สตรีผู้นี้ได้เห็นมีดชนิดนั้นอยากจะลองเอาไว้กับตัวสักคืนหนึ่งเพื่อดูว่าจะมีอะไรผิดแปลกบ้างจึงได้บอกขอยืมว่าจะรับเก็บรักษาไว้สักคืนหนึ่งและรุ่งพรุ่งนี้จะส่งคืนให้พระก็ยินยอมคืนนั้นพักนอนกันในที่ซึ่งเป็นป่าแท้ๆไม่ใช่ในหมู่บ้าน พระกับสตรีผู้นั้นพักนอนอยู่ห่างกันสตรีผู้นั้นเมื่อได้มีดไปแล้วก่อนจะนอนก็เอามีดปักลงในดินเหลือแต่ด้ามโผล่อยู่ผ้นดินและตัวเองก็ยังนั่งอยู่โดยยังไม่หลับแต่ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่หลับนั้นก็ได้เห็นพระลามะรูปหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีอายุมากและไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเดินเข้ามายัางที่ที่สตรีผู้นั้นอยู่ก้มลงเอื้อมมือคว้ามีดนั้นแต่สตรีผู้นั้นได้คว้าด้ามมีดไว้เสียก่อนพระรูปนั้นก็เดินเลยไป สตรีผู้นั้นได้วิ่งกลับมาอย่างที่พักของพระเจ้าของมีดเล่าเรื่องให้ฟังพระเจ้าของมีดบอกว่าเห็นจะเป็นอาจารย์ต้องการจะมารับกลับคืนไปโดยที่เห็นสิทธิ์รักษาไว้ไม่ได้สตรีผู้นั้นจึงได้วิ่งวอลขอมีดนั้นและรับว่าจะบอกกล่าวแก่วงวิญญาณของพระอาจารย์ขอมีดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวพระรูปนั้นก็ยอมให้สตรีผู้นั้นได้เข้าบริกรรมทำพิธีบอกกล่าวแก่อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมีด ขอไว้เป็นมีดสำหรับป้องกันภัยอันตรายสำหรับตัวเองและก็ได้เก็บมีดนั้นไว้สำหรับตัวมาตลอดเวลาโดยไม่ปรากฏว่ามีดนั้นได้ทำอันตรายอย่างใดให้การสร้างรูปมหัศจรรย์ในเรื่องที่สองคือเรื่องสร้างรูปอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นนั้นสตรีผู้นี้เขียนว่าบางทีดินฟ้าอากาศในทิเบตอาจเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการสร้างรูปเป็นไปได้โดยสะดวก ด้วยเรื่องที่ทราบกันอยู่โดยมากนั้นว่ามีเกิดขึ้นบ่อยๆในทะเลทรายแอฟริกาซึ่งผู้เดินทางในทะเลทรายมองเห็นเมืองอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อเดินไปภาพเมือง น, นั้นก็หายไปภาพนั้นไม่ใช่ภาพหลอกล่อไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นด้วยอุปาทานแต่เป็นภาพเมืองจริงๆเมืองที่อยู่ในระยะนั้นหากแต่อยู่อีกห่างไกลดินฟ้าอากาศช่วยให้ภาพนั้นเลื่อนเข้ามาใกล้เรื่องอย่างเดียวกันนี้มีในทะเลได้เหมือนกัน อย่างที่พูดกันถึงเรื่องเรือผีคือเห็นภาพเรือลำใหญ่มหึมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็หายไปความจริงเรื่องอย่างนั้นมีอยู่จริงแต่อยู่ในระยะไกลอีกมากภาพชนิดนี้มีขึ้นได้เสมอในทิเบตซึ่งอาจจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศมีลักษณะอย่างเดียวกันในทะเลหรือมหาสมุทรสตรีผู้นี้เล่าเรื่องของตนว่าครั้งหนึ่งคนใช้ชายคนหนึ่งของเธอขอลาสามสัปดาห์เพื่อไปธุระส่วนตัว และในระหว่างนั้นเธอพักอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งพร้อมกับคนใช้อีกสองคนคนที่ลาไปเพื่อกิจส่วนตัวนั้นหายไปหลายเดือนหายไปจนสตรีผู้นั้นนึกว่าคงไม่กลับมาอีกแต่อยู่มากคืนหนึ่งสตรีผู้นั้นฝันถึงคนใช้ที่หายไปนั้นฝันว่าเขาใส่หมวกสักกลาด์อย่างแบบฝรั่งเดินทางมาอันที่จริงคนใช้ผู้นั้นไม่เคยใช้หมวกสักกลาด์แบบฝรั่งเลยสตรีผู้นั้นไม่แน่ใจว่าความฝันนั้นจะหมายความว่ายอย่างไร แต่ในวันรุ่งขึ้นพอสายหน่อยคนใช้อีกสองคนก็มาบอกว่าคนใช้ผู้ชายนั้นมาแล้วกำลังปีนเขาขึ้นมาและยังอยู่ไกลมากสตรีผู้นั้นได้ตามคนใช้ทั้งสองไปดูในที่ที่พอมองเห็นได้เอากล้องสองดูก็เห็นจะเป็นชายคนใช้นั้นอย่างแน่ชัดและใส่หมวกถูกต้องเหมือนความฝันกำลังเดินทางปีนเขาขึ้นมาและอีกไม่ช้าก็คงจะมาถึงที่ที่สตรีผู้นั้นอยู่แต่เมื่อเขามาถึงก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เขาก็หายไปแล้วไม่เห็นอีกสตรีผู้นั้นนึกว่าบุคคลคนนั้นคงจะต้องนั่งพักให้หายเหนื่อยและอีกประเดี๋ยวก็คงจะมาคอยอยู่เป็นเวลานา น, นก็ไม่เห็นเอากล้องสองเที่ยวตรวจหาเท่าที่จะตรวจดูได้ก็ไม่เห็นคนใช้คนนั้นเธอจึงสั่งให้คนใช้อีกสองคนลงไปดูเพราะเกรงว่าเขาอาจจะเหนื่อยถึงกับไม่สบายเดินขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วตัวเองก็ตามลงไปดูด้วยไม่มีใครที่ที่เป็นก้อนหินนั้น ก็ไม่มีทางที่จะรอดไปทางไหนคนใช้ผู้ชายซึ่งมองเห็นกันถึงสามคนนั้นหายไปเฉยๆหาร่องรอยไม่พบเธอและคนใช้จึงได้กลับขึ้นมาที่พักและเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่ทําความแปลกประหลาดใจให้แก่เธอและคนใช้เพราะเธอเองก็ดีคนใช้ก็ดีย่อมรู้จักเรื่องภาพเหล่านี้ดีรออยู่จนกระทั่งถึงเวลาเย็นแปลว่าเวลาผ่านไปเกือบทั้งวันคนใช้จึงบอกว่าได้เห็นคนใช้ชายคนนั้นอีก เธอเอากล้องส่องดูอีกเห็นเขาปีนเขาขึ้นมาทางเดียวกับที่เห็นเมื่อเช้านี้การแต่งตัวเหมือนกันกับที่เห็นเมื่อเช้านี้และใส่หมวกสักหลาดตรงกับความฝันเขาเดินผ่านก้อนหินนั้นโดยไม่หยุดพักขึ้นมาจนถึงที่อยู่ของเธอถามได้ความว่าเขาเพิ่งมาถึงและเมื่อเช้านี้เวลาที่สตรีผู้นั้นและคนใช้เห็นภาพของเขานั้นเขาเพิ่งออกเดินทางยังอยู่ห่างไกลมากยังไม่ถึงภูเขาลูกนี้เสียด้วยซ้า แต่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินทางให้ถึงวันนี้ให้จงได้ภาพของคนใช้ที่ปรากฏอย่างนั้นไม่ใช่มายาศาสตร์หรือความตั้งใจสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นภาพที่เกิดจากความตั้งใจแน่ๆของคนใช้ซึ่งหายไปนานเกินกำหนดแล้วก็ระลึกถึงสตรีผู้นั้นด้วยความห่วงใยเขาตั้งใจแน่ๆ ว, ว, ว่าจะมาถึงในวันนั้นให้จงได้อาจเป็นด้วยความตั้งใจแน่ๆ น, นี้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งดินฟ้าอากาศในทิเบตเอง ก็อาจจะช่วยให้การส่งภาพได้เหมือนอย่างที่ปรากฏในทะเลทรายหรือในมหาสมุทรแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสตรีผู้นั้นเขียนเล่าไว้เป็นภาพที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างเหมือนกันแต่ความผูกพันใจทำให้บังเกิดขึ้นภาพอันนี้อาจจะผสมเข้ากับดวงวิญญาณหรืออย่างไรก็ไม่แน่นักแต่เป็นภาพซึ่งไม่ปรากฏเฉพาะแก่ตายังรู้สึกในการถูกต้องได้ด้วยสตรีผู้นี้เขียนเล่าว่าช่างเขียนภาพคนหนึ่ง เดินทางมาพบเธอในขณะที่เธอมีชีวิตอยู่ในอาสมเธอได้เห็นช่างเขียนนั้นเดินเข้ามาใกล้และเบื้องหลังของช่างเขียนนั้นเห็นภาพปีศาจใหญ่ตัวโตวกว่าช่างเขียนเองเป็นอันมากเดินตามหลังมาด้วยเธอเกิดความอยากรู้ว่าภาพอย่างนั้นจะแต่ต้องได้หรือไม่เธอได้ลุกวิ่งผ่านช่างเขียนนั้นไปลองผลักดูในภาพที่เห็นนั้นก็รู้สึกว่ามือได้แต่ต้องอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะยืดยุ่นและภาพนั้นก็หายไป เธอได้บอกความข้อนี้ให้ช่างเขียนนั้นทราบช่างเขียนนั้นก็บอกว่าในเวลานี้กําลังเขียนรูปปีศาจใหญ่ที่ผนังโบสถ์อันหนึ่งเพิ่งเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางมาเขาเชื่อว่าเขาเขียนภาพนั้นเป็นภาพที่ดีมากและถูกต้องตรงกับลักษณะของปีศาจ ท, ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไปเขาเขียนด้วยความตั้งอกตั้งใจเหมือนหนึ่งว่าจะทําให้ปีศาจนั้นมีรูปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงๆและในระหว่างที่เขาเดินทางมานี้เขานึกถึงภาพนั้นตลอดเวลา ภาพที่สตรีผู้นั้นเห็นหรือถึงกับแต่ต้องได้นั้นอาจจะเป็นภาพปีศาจจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลยากเราจะถือว่าภาพทั้งหลายนี้เป็นภาพลวงตาไปทั้งหมดก็ไม่ใช่อาจจะมีวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเมื่อได้รับกระแสจิตผสมกับกระแสไฟฟ้าเข้าอาจเป็นรูปขึ้นมาจริงๆไม่เฉพาะแต่เป็นรูปให้เห็นอย่างแต่ต้องได้ด้วยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครตั้งใจสร้างขึ้นโดยตรง แต่วิชาการของทิเบตนั้นสตรีผู้เขียนหนังสือที่นํามากล่าวนี้รับรองยืนยันว่าเรื่องการสร้างภาพต่างๆนั้นทําได้จริงๆการส่งภาพของตัวเองให้ไปปรากฏอีกแห่งหนึ่งเป็นของที่ทําได้ง่ายๆทั้งพระและมายาการผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างชั้นที่หนึ่งสามารถจะทําได้สตรีผู้นี้เองได้เคยเห็นรูปพระลามะรูปหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกันแต่อยู่ห่างไกลมากมาปรากฏขึ้นในเต็นท์ที่เก็บของของเธอ แคลเห็นอย่างแจ่มชัดเห็นเป็นตัวคนจริงๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็หายไปและภายหลังเมื่อได้พบกับตัวจริงของพระรูปนั้นก็ได้ความว่าเป็นแต่เพียงภาพที่ท่านลองทําส่งไปการสร้างพิศาร์ขึ้นให้เห็นเป็นตัวเป็นตนสาหรับใช้เป็นเพื่อนนั้นสตรีผู้นี้เองก็เขียนไว้ว่าตัวเองก็สามารถจะทาได้ ได้ลองทำขึ้นครั้งหนึ่งเป็นผลสำเร็จแต่แล้วก็เข็ดไม่อยากทําอีกต่อไปเพราะเป็นเรื่องกวนใจมากสตรีผู้นี้ได้ทดลองสร้างภาพปีศาจไม่ให้เป็นปีศาจที่ดุร้ายแต่ให้มีรูปเป็นพระการทําอย่างนี้ก็เพื่อทดลองความสามารถของตนเองอย่างหนึ่งเพื่อว่าถ้าทําขึ้นได้ก็จะได้ใช้เป็นเพื่อนและที่สร้างขึ้นให้เป็นพระนั้นก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนให้ใครวิธีทาก็คือ เพ่งติดตามหาดวงวิญญาณของพระรูปหนึ่งตามวิธีเพ่งกล่าวมาแล้วข้างต้นและได้พบดวงวิญญาณซึ่งเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของพระรูปหนึ่งอย่างที่ต้องการสตรีผู้นี้ได้ใช้วิธีอย่างมายาการคือสกัดกั้นไว้ไม่ใช้วิธีตามแบบอย่างของพระลามะเมื่อเชื่อว่าสกัดกั้นไว้ได้แล้วก็พยายามเพ่งสร้างรูปขึ้นเรื่อยไปเมื่อนั่งเพ่งคล่าวใดก็รู้สึกว่า เป็นวิญญาณ น, นั้นอยู่เสมอแต่การที่จะเพ่งสร้างรูปนั้นขึ้นมาไม่ใช่ของง่ายๆต้องพยายามทำโดยไม่ทอดทิ้งทำทุกๆวันเป็นเวลาตั้งหลายเดือน ในที่สุดก็ได้รูปพระลามาตามที่ต้องการรูปนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อต้องการจะเห็นถ้าเดินทางไปไหนคนเดียวก็ใช้ให้เดินนำหน้าหรือนำทางไปได้ถ้าไปถึงที่ที่มีคนก็บังคับให้ภาพนั้นหายไปในชั้นแรกๆบังคับได้ตามความปรารถนาแต่ภายหลังต่อมาก็รู้ว่ามีการดื้อสนมากเข้าทุกทีเวลาทำธุระอื่นที่ไม่ต้องการจะเห็นก็มาปรากฏให้เห็นเข้าบางทีเอามือจับที่บ่าของเธอ และยิ่งกว่านั้นยังไปแสดงตัวหลอกหลอนคนอื่นคนเดินทางแถบนั้นมาบอกเธอว่าได้เห็นปีศาจพระบ่อยๆบางคนมาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลบอกว่าถูกปีศาจพระรบกวนส่วนสตรีผู้นั้นเองก็ถูกรบกวนเหมือนเลี้ยงเด็กส่วนไว้บางครั้งเวลาสวดมนต์ภาวนาก็มารบกวนให้เสียสมาธิลงท้ายสตรีผู้นี้ก็ตกลงใจว่าจะต้องทาภาพอันนี้ดับไปและการทาให้ดับหายไปนั้นก็ไม่ใช่ของง่าย ต้องเอาภาพนั้นมาเพ่งให้เป็นไปในทางแตกดับในบางครั้งก็ต้องหยุดเพ่งเพราะเกิดสงสารขึ้นมาคือในเวลาที่เพ่งให้แตกดับนี้ก็ได้แลเห็นหน้าของภาพนี้เหี่ยวแห้งสุดโทมเหมือนมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเมื่อทําไปนานๆก็เห็นภาพนั้นผ่ายผอมลงท้ายก็กลายเป็นภาพที่ป่วยหนักใกล้ถึงความตายจึงเป็นความรู้ว่าภาพที่สร้างขึ้นไว้ให้เป็นรูปคนอย่างนี้ ถ้าจะให้แตกดับไปก็ต้องทำให้เจ็บให้ตายอย่างเดียวกับคนเรามีหลายครั้งที่สตรีผู้นี้เกิดความสงสารและอยากจะทอดทิ้งการทาลายแต่ขืนเก็บไว้ก็เป็นความลำบากใจจึงทำลายลงจนได้และการเพ่งเพื่อทำลายนี้ต้องใช้เวลาถึง6เดือนสตรีผู้นี้เขียนว่าได้เคยฟังจากอาจารย์อื่นๆว่าการสร้างภาพปิศาจขึ้นนั้นเป็นของง่ายแต่การที่จะทาลายนั้นยากมากในบางครั้ง ถ้าไปพบเอาดวงวิญญาณที่ดุร้ายก็กลับจะต่อสู้ในเวลาที่จะถูกทำร้ายเสียด้วยซ้ำคืนปล่อยไว้ก็ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นและรบกวนผู้ที่สร้างนั่นเองถ้าเป็นมายาการที่สามารถภาพที่สร้างขึ้นนั้นจะใช้ไปทำอะไรก็ได้แม้ในทางร้ายเช่นรบกวนคนหนึ่งคนใดให้หมดความผาสุกหรือทำอันตรายถึงชีวิตแต่ก็เป็นหลักที่ถือกันอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นภาพที่สร้างขึ้นใช้เพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องทำลายเสียคืนปล่อยไว้ก็จะทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้สร้างนั่นเองเรื่องสร้างภาพปีศาจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในวิชาการของทิเบตและยอมเชื่อกันทั่วไปว่าไม่ใช่สิ่งหลอกล่อแต่เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้จริงๆทำขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ทางจิตของผู้ทำต่อไปจากนี้ก็เป็นเรื่องการจุงจิตเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากการที่กล่าวมาแล้วในบทต้นๆคือมายาการผู้สามารถ อาจจะเพ่งถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดจุงจิตให้คิดทำอะไรย่อมจะสำเร็จได้โดยง่ายจะให้รักให้หลงให้เกิดเมตตาหรือให้เกิดความเกลียดชังพยาบาทเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องยากสำหรับพิชาการของทิเบตอาจารย์คนสำคัญสำคัญ เราได้ศึกษาเรื่องลทัทธิวิชาการของทิเบตมามากแล้วต่อไปนี้เราควรจะไปศึกษาเรื่องของอาจารย์คนสำคัญๆทั้งในสมัยเก่าและสมัยใหม่เพราะการศึกษาเรื่องของอาจารย์คนสำคัญๆนี้ทำให้เราเข้าใจวิธีการของทิเบตดียิ่งขึ้นอาจารย์สำคัญในสมัยเก่ามีชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย3ามคนคือ 1. น, นโรทะซึ่งเป็นอาจารย์ของมารปะ 2. มารปะซึ่งเป็นอาจารย์ของมิลาเรสปะ ส ม, มิลาเรสปะซึ่งเป็นอาจารย์ยิ่งใหญ่คนหนึ่งและเป็นกวีที่มีชื่อเสียงด้วยบทกวีนิพนธ์ของท่านผู้นี้ถือเป็นวรรณคดีชิ้นสําคัญของทิเบตนโรทะเกิดเมื่อราวหนึ่งพันปีมาแล้วและเป็นชาวอินเดียแต่มามีชื่อเสียงเป็นอาจารย์ยิ่งใหญ่ในทิเบตเรื่องของท่านผู้นี้ก็อาจจะเป็นนิยายอยู่บ้าง แต่ก็ให้ความรู้แก่เราว่าการศึกษาหาความรู้ทางมายาการนั้นเป็นอย่างไรนโรทะเกิดที่เมืองแคชเมียเป็นปราดและเป็นที่ปรึกษาราชการของราชาอินเดียองค์หนึ่งภายหลังถูกราชาไล่ออกจากตำแหน่งเกิดความพยาบาทคิดหาทางที่จะฆ่าราชาองค์นี้ด้วยมายาศาสตร์โดยเหตุที่เคยสนใจศึกษาทางมายาศาสตร์มาแล้วจึงได้นั่งไปทาบริกรรมตามที่เคยศึกษามาเพื่อจะฆ่าราชานั้น ในขณะที่ทำการบริกรรมนี้ได้เห็นภาพเทพธิดาองค์หนึ่งเทพธิดานั้นมาถามว่าเขามีความสามารถที่จะทำให้ดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดในที่ดีหรือว่าจะให้ดวงวิญญาณของคนที่ตายใหม่ๆกลับคืนเข้าสู่ร่างเพื่อให้คนตายฟื้นขึ้นมานโรธะตอบว่าความรู้ของเขายังไม่สูงถึงแค่นั้นเทพธิดาจึงพูดว่าเมื่อตนเองยังไม่มีความรู้พอที่จะทาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในที่ดี หรือให้ดวงวิญญาณของผู้ตายใหม่ๆกลับเข้าสู่ร่างของผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายฟื้นขึ้นได้แล้วการที่เขาคิดฆ่าคนนั้นก็ผิดมากเทพธิดาองค์นั้นให้โอวาดแก่เขาต่อไปว่ามนุษย์ไม่ควรคิดทำลายสิ่งซึ่งตัวไม่สามารถจะกลับทำให้คืนดีได้เมื่อนรโรธะยังไม่มีความรู้ที่จะทําให้คนตายกลับฟืน้นคืนชีวิตและไปคิดฆ่าคนตายก็เป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงคําพูดของเทพธิดาในตอนนี้ ทำให้นโรธาเห็นจริงและจับใจในถ้อยคําที่ว่ามนุษย์ไม่ควรทําลายล้างสิ่งซึ่งตนเองไม่สามารถจะทําให้กลับคืนดีและเกิดความคิดต่อไปว่าทางที่ดีที่สุดของมนุษย์เรานั้นไม่ควรจะเป็นผู้ทําลายแต่ควรจะเป็นผู้ที่ทําสิ่งซึ่งคนอื่นทําลายให้กลับดีได้เทพธิดาได้ถามถึงความสามารถของเขาว่าเขาจะทําให้ดวงวิ ญ, ญญาณที่ตายไปแล้วเกิดในที่ดีได้หรือไม่หรือว่าจะทําให้ดวงวิ ญ, ญญาณของผู้ตายใหมๆ่ๆ กลับเข้าสู่ร่างเพื่อให้ฟื้นขึ้นได้หรือไม่คำถามของเทพธิดาในข้อนี้ทำให้นโรธาเห็นว่าถ้าเขาได้ศึกษาวิชาในกระบวนนี้ก็คงจะดีกว่าที่จะศึกษาหาทางฆ่าคนทำร้ายคนเขาได้ทราบชื่อเสียงของอาจารย์คนหนึ่งชื่อติโลปะเป็นชาวเบงกอรคืออินเดียเหมือนกันเขาได้เดินทางมาเบงกอรเพื่อศึกษาวิชาการกับอาจารย์ผู้นี้เขาไม่ได้ทาการต้อนรับอย่างไร พยายามเข้าไปจนพบตัวติโลปะพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดถามอะไรก็ไม่ยอมตอบรบกวนหนักเข้าก็ลูกหนีไปเสยเฉยๆแต่นโรท้าไม่ได้ทอดทิ้งความพยายามได้พยายามไปอยู่ใกล้อาจารย์ผู้นี้ให้เห็นเสมอให้พบเสมอติโลปะมีปกติชอบเดินทางเวลาติโลปะเดินทางไปไหนนโรท้าก็ตามไปด้วยทำตนเป็นลูกศิษย์ช่วยเหลือปฏิบัติทั้งๆที่ติโลปะยังไม่รับลูกศิษย์ เขาเคยฟังเสียงตีโลปะพูดกับสิทธ์อื่นเขาจำเสียงได้ดีแต่ตีโลปะไม่เคยพูดกับเขาอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นอะไรเขาหลับสบายเกินไปคนอื่นออกเดินทางไปเสียหมดแล้วตีโลปะก็เดินทางไปแล้วไปพร้อมกับสิทธ์ทั้งหลายเขาถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวเขารู้ว่าตีโลปะจะไปทางไหนก็รีบออกเดินทางตามไปอาหารประจาตัวก็ไม่มีเขาเห็นบ้านหลังหนึ่ง เข้าไปเคาะประตูบ้านหลังนั้นเพื่อขออาหารพอไปเคาะประตูเข้าบ้านทั้งบ้านก็หายไปเขาได้ยินเสียงซึ่งจำได้ว่าเป็นเสียงของติโลปะแท้ร้องบอกว่าฉันอยู่นี่เขาเข้าใจเข้าใจว่าในบัดนี้ติโลปะได้เห็นความพยายามของเขาและยินดีที่จะรับเป็นสิทธิบ้านที่เขาเห็นนั้นก็คงเป็นภาพที่ติโลปะทำขึ้นหลอกเขาเสียงของติโลปะนั้นเขาได้ยินแน่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาเดินทางต่อไปอีกได้พบผัวเมียคู่หนึ่งเมียร้องขอให้ช่วยเพราะผัวกําลังจะฆ่าเขาวิ่งตรงเข้าไปช่วยผู้หญิงนั้นแต่พอเข้าไปถึงผัวเมียคู่นั้นก็หายไปและมีเสียงของติโลปะร้องว่าฉันอยู่นี่เขาถูกทรมานอยู่อย่างนี้เป็นเวลาช้านานเขาเชื่อว่าติโลปะสามารถจะปรากฏกายเป็นรูปร่างอย่างไรก็ได้ในระหว่างที่เขาเดินทางไปพบใครผ่านมาเขาก็กราบและบอกว่า ถ้าเป็นติโลปะก็ขอให้กรุณารับเขาเป็นสิทธิ์แต่ในบรรดาคนที่นั่งรอท่าลงกราบมากมายหลายคนนั้นไม่ใช่ติโลปะในที่สุดเมื่อเหนื่อยอ่อนจอนจะหมดกําลังแล้วเขาก็ได้พบติโลปะเข้าจริงๆคราวนี้ติโลปะไม่หนีไปไหนยอมให้เข้าใกล้เขาเข้าไปยกเท้าของติโลปะทูลบนศีรษะของเขาและวิงบอลขอให้รับเป็นสิทธิ์ติโลปะบอกเขาว่าถ้าเขาจะยอมเป็นสิทธิ์ก็ต้องเชื่อฟังทุกอย่าง ต้องยอมทําตามที่ติโรปะจะให้ทํนานโรทะรับว่าจะทําทุกๆอย่างติโรปะได้เอาหนามไผ่ตอกที่ปลายนิ้วของนโรทะเหนือเล็บขึ้นไปหน่อยตอกทุกนิ้วทั้งเล็บมือเล็บเท้าเป็นความเจ็บปวดอย่างสาหัสไม่ใช่ว่าอาจารย์ทําให้แล้วจะไม่เจ็บแต่เป็นการเจ็บอย่างร้ายแรงติโรปะสั่งว่าห้ามเอาหนามนี้ออกจนกว่าอาจารย์จะสั่งให้เอาออกได้แล้วก็บอกให้ไปอยู่คนเดียวทําการภาวนาตามที่อาจารย์สอนให้ นโรธะก็ปฏิบัติตามความเจ็บปวดก็ไม่ได้หายลงไปติโลปะได้ทอดทิ้งเขาไว้หลายวันในที่สุดจึงมาเยี่ยมและถามว่ามีความทุกข์ทรมานมากหรือไม่นโรธาตอบว่าเจ็บปวดมากติโลปะถามว่าเมื่อถูกทําให้เจ็บปวดอย่างนี้ยังอยากเป็นอยู่นั่นเองนโรธะถูกทอดทิ้งอีกหลายอย่างซึ่งล้วนแต่เป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสแก่ตัวและมองไม่เห็นว่าจะเกิดผลดีอย่างไร จากการกระทำของอาจารย์ผู้นี้แต่เขาไม่ได้หมดความเลื่อมใสเขาถือว่าความเจ็บปวดที่อาจารย์ทำให้นั้นเป็นการทำให้เขาบริสุทธิ์เป็นการเริ่มต้นแห่งการสอนและทุกๆครั้งตีโลปาก็ถามว่าได้รับความเจ็บปวดและทุกขเวทนาอย่างนี้ยังจะอยากเป็นสิทธิ์ของตีโลปะต่อไปอีกหรือดะโลทะก็ยังยืนยันว่าต้องการจะเป็นสิทธิ์ความพยายามของเขาเป็นผลสําเร็จเขาได้เรียนวิชามายาการจากตีโลปะอย่างดีที่สุด ที่สามารถจะเรียนได้แล้วเขาก็เดินทางเข้ามาในทิเบตนโรท้าเป็นคนแรกที่เอาวิชาการทางโยคะของอินเดียเข้ามาผสมกับวิชาการของทิเบตการได้ศึกษาทางทิเบตทำให้เขามีความรู้ขึ้นอีกมากมายและเมื่อเอาวิชาการของอินเดียเข้ามาผสมด้วยเขาก็ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และเป็นอาจารย์คนสำคัญคนหนึ่งทางมายาศาสตร์ในทิเบตแต่ในการสอนศิษย์ของตนนั้น นโรธะไม่ได้เคยใช้วิธีรุนแรงโหดร้ายเหมือนอย่างที่ตนเคยรับมาจากอาจารย์บรรดาศิษย์ที่นโรธาสอนคนที่เรียนได้ดีที่สุดและสามารถทําความมหัศจรรย์ได้มากที่สุดคือมาร ป, ปะซึ่งเป็นชาวทิเบตแต่มาร ป, ปะนี้ในทางสอนศิษย์ของตนต่อไปกลับใช้วิธีรุนแรงศิษย์ของมาร ป, ปะคือมิลาเรสปะซึ่งนอกจากจะเป็นมายาการที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่คนหนึ่งแล้วยังเป็นกวีขึ้นชื่อลือนามของทิเบต พวกอาจารย์ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นอาจารย์รุ่นเก่าซึ่งได้สร้างตำรับตำรามายาศาสตร์ให้เป็นหลักศึกษาของทิเบตมาจนกระทั่งบัดนี้ในสมัยที่สตรีผู้นี้อยู่ในทิเบตได้พบอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกสองคนคนหนึ่งชื่อกิยาโจและอีกคนหนึ่งชื่อดอรจีเรื่องของอาจารย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทำนองเดียวกันคือในเวลาที่จะศึกษาฝึกฝนอย่างแท้จริงนั้นก็ถูกทรมานโดยที่อาจารย์ไม่ค่อยจะยอมรับเข้าเป็นศิษย์ ต้องทำความพยายามมากหลายกว่าจะให้อาจารย์ยอมรับเป็นสิทธิ์กิยาโจได้ไปฝากตัวอยู่กับฤาษีองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในทางมายาการฤาษีองค์นั้นไม่ยอมรับเป็นสิทธิ์อันที่จริงก่อนที่จะเดินทางมาถึงฤาษีองค์นี้กิยาโจได้เล่าเรียนอยู่แล้วในวัดใหญ่ของเมืองใหญ่เรียนในทางหลักวิชาและในวัดใหญ่นั่นเองเขาได้รับคําแนะนําให้มาหาฤาษีองค์นี้เขาต้องเดินทางมาถึงสามอาทิตย์ ขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งสูงถึง 5,000 เมตรแล้วพระฤาษีก็ไม่ยินดีที่จะให้เขาเป็นสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นไม่ยอมให้อยู่ด้วยซ้ำขับไล่สาส่งโดยไม่ให้เหตุผลอย่างใดเมื่อเห็นว่าฤาษีองค์นี้ไม่ยอมให้เขาอยู่ด้วยแน่นอนเขาก็เดินทางกลับในระหว่างทางถูกพายุฝนอย่างร้ายแรงเห็นภาพปีศาจนานาประการสิ่งที่เขาเห็นยิ่งทาให้เขาเชื่อว่าเป็นภาพที่อาจารย์ทาขึ้น เขาจากที่นั้นไปสามเดือนแล้วก็กลับไปอีกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอันไม่ได้การต้อนรับตามเคยและถูกขับไล่อีกเขารอไปอีกปีหนึ่งกลับไปหาอีกคราวนี้อาจารย์ยอมพูดด้วยแต่คำพูดของอาจารย์นั้นก็ว่าอาจารย์ทราบความประสงค์ของเขาดีว่าเขาต้องการเรียนอะไร การที่อาจารย์ไม่ต้อนรับและขับไล่สส่งเขานั้นก็เพราะอาจารย์ไม่มีวิชาวความรู้ในทางนั้นอาจารย์ไม่สามารถจะสอนในทางที่เขาต้องการให้สอนจึงแนะนําคนอื่นบอกชื่อให้บอกตําแหน่งที่และรับจะให้คนพาไปด้วยถ้าไปศึกษากับอาจารย์นั้นก็จะประสบผลสําเร็จตามที่กิยาโจมุ่งหมายกิยาโจไม่ยอมไปหาอาจารย์อื่นยืนยันที่จะศึกษากับอาจารย์ผู้นี้อาจารย์มีความรู้อย่างใดสอนได้อย่างใด เขาก็ยินดีจะเรียนอย่างนั้นพระฤาษีองค์นี้ตกลงรับและลงมือสอนให้เขาได้ศึกษาความรู้อย่างประเสริฐและทุกๆอย่างที่เขาต้องการเรียนนั้นก็เรียนได้จากพระฤาษีอาจารย์องค์นี้เองกียาโจเป็นมายาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งเนื่องจากการศึกษากับอาจารย์คนนี้เรื่องที่เล่ามานี้แสดงวิธีการของพวกอาจารย์ในทิเบตซึ่งบางทีก็เป็นอย่างเดียวกับจีนคือไม่มีความปรารถนาที่จะได้สิทธิ์มามากนัก และรับสอนให้เฉพาะผู้ที่ทําความพยายามด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะยอมเป็นศิษย์ก่อนที่จะรับศิษย์ก็ต้องทรมานหลายอย่างหลายประการถึงกับขับใสไล่ทรงหรือแนะนําว่าจะหาอาจารย์อื่นให้ทั้งนี้ก็เพื่อจะทดลองว่าศิษย์คนนั้นต้องการวิชาจริงหรือไม่อยากรู้อยากเรียนจริงหรือไม่มีความเลื่อมใสนับถือเชื่อใจในตัวอาจารย์จริงหรือไม่มีน้ําใจเด็ดเดี่ยวในการเลือกอาจารย์อย่างแท้จริงหรือไม่ เมื่อแลเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจึงจะยอมสอนให้ฉะนั้นผู้ที่จะเรียนมายาศาสตร์จึงต้องมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างแปลกประหลาดถ้ามิฉะนั้นก็หาอาจารย์ที่ดีจริงไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งสตรีผู้เขียนหนังสือนี้ที่กล่าวมานี้ได้รู้จักมักคุ้นเป็นส่วนตัวและได้ฟังเรื่องราวจากปากคาของอาจารย์ผู้นี้เองอาจารย์ผู้นี้ชื่อดอรจีดรจีเป็นเด็กยากจน และมีกำเนิดเป็นคนชั้นต่ำพ่อแม่เอาไปฝากให้พระเลี้ยงไว้ในวัดตั้งแต่เด็กและในระหว่างที่เป็นเด็กก็ถูกเพื่อนที่พ่อแม่มั่งคั่งและมีศักดิ์มีตระกูลสูงกว่าข่มเหงและเย้ยหยันอยู่เสมอการถูกข่มเหงและเย้ยหยันดังนี้ทำให้เขามีมานะที่จะเล่าเรียนศึกษาหาชื่อเสียงในทางมายาศาสตร์เขารู้ตัวว่าเขามีกาลังใจแรงมากเพราะในบางครั้งเขายังเป็นเด็ก ถ้าจ้องมองดูผู้ดูหมิ่นเยอ้ยอยันเขาเขา้าบางคนก็ตัวสั่นและเลี่ยงหนีด้วยปรากฏการณ์ที่เขารู้สึกเองอย่างนี้เขาจึงเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะเป็นมายาการที่เก่งกล้าคนหนึ่งในภายหน้าเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มขึ้นเขาก็เข้าไปขอลาพระลามะที่เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กขอลาสักสองปีเพื่อไปหาความรู้จากอาจารย์ที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างฤศีพระลามะนั้น อ, นอนุญาตให้เขาไปได้เขาออกเดินทางไปในที่ไกล พบที่ที่เหมาะใจและทําการทดลองด้วยตนเองตามความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากในวัดเขาได้สร้างกระท่อมที่อยู่ของเขาเองอยู่ใกล้ลําธารแห่งหนึ่งทําการฝึกหัดปลูกเตโชธาดด้วยตนเองเพราะรู้วิธีอยู่ก่อนแล้วเขาสามารถทําได้โดยลําพังตัวเองลงไปแช่ตัวอยู่ในลานําธารขณะที่น้ําเย็นเยือกเป็นน้ําแข็งแล้วก็ขึ้นมาภาวนาตามแบบที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาลงท้ายทําได้สําเร็จด้วยความพยายามฝึกฝนตนเองนี้ เขาสามารถยืนเปลือยกายกลางหิมะและทนหนาวได้โดยไม่ต้องมีอะไรปกปิดร่างกายเขาปล่อยผมให้ขึ้นยาวอย่างแบบฤรษีชีไพรแท้เมื่อแน่ใจว่าตัวเองปลูกเตโชาธาตขึ้นได้แล้วเขาก็ทำการฝึกฝนเรื่องกสินทำด้วยตัวเองโดยไม่มีอาจารย์ควบคุมอีกเหมือนกันในระหว่างเวลาที่เขาฝึกฝนเรื่องกสินนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่นึกฝันน้าป่าพังทลายมาจากไหนไม่ทราบไหลเป็นเสียงเหมือนฟ้าลั่น เหตุการ์อย่างนั้นมีขึ้นบ่อยๆในทิเบตเนื่องจากที่มีน้ําขังอยู่มากในที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีเขื่อนกั้นน้ําตามธรรมชาติแต่เขื่อนกั้นน้ําตามธรรมชาตินั้นอาจจะมีเวลาพังทลายได้เมื่อเขื่อนกั้นน้ํานั้นยังดีอยู่น้ําก็ขังอยู่เบื้องบนเป็นทะเลสาบใหญ่อยู่ในระหว่างยอดเขาถ้าเขื่อนนั้นพังลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดน้ําทั้งทะเลสาบใหญ่ๆนั้นก็ไหลลงมาเขาได้ยินเสียงน้ําบ่าลงมาจากยอดเขาสูงเขาเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระสินของเขาไม่เฉลียวใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้พยายามเลี่ยงจนกระทั่งน้ำบาไหลมาถึงตัวกระท่อมที่เขาสร้างไว้ถูกน้ำกวาดพังทลายหมดสเสบียงอาหารและเครื่องใช้ลอยไปตามน้ำตัวของเขาเองลอยล่องไปตามน้ำเหมือนกันเหตุการณ์อย่างนี้เคยมีในที่เบตและคนที่ถูกน้ำพัดไปอย่างนี้มักจะต้องถึงแก่ความตายเพราะน้ำที่ไหลาบาจากเขาอย่างแรงร้าย ถ้าพัดเอาตัวคนไปด้วยก็จะต้องเอาไปโดนหินผาบาดเจ็บถึงแก่ความตายในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยแต่เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่แน่ใจว่าน้ำพัดพาเขาไประยะไกลสักเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าใกลจากที่อยู่เดิมของเขามากในที่สุดเขาก็ขึ้นจากน้ำได้โดยปราศจากอันตรายเรื่องนี้ทำให้เขาเชื่อตอนเองว่าเป็นผู้ที่เทวดารักษาซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะต้องตายเสียแล้ว ยิ่งกว่านั้นในที่ที่เขาขึ้นได้นั้นมีพระรามาสูงอายุอยู่รูปหนึ่งและมีศิษย์หลายคนแสดงว่าเป็นคณาจารย์องค์หนึ่งเลยทําให้เขาคิดไปว่าสวรรค์ได้ส่งเขามาสู่สํานักอาจารย์องค์นี้และมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องขอความรู้และเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์องค์นี้ให้จงได้เขาไม่มีอะไรติดตัวในระหว่างที่ถูกน้ําพัดมานั้นแม้แต่ผ้าที่ห่อหุ้มกายก็ถูกน้ําพัดพาไปหมด เขาเดินเปลือยกายเข้าไปในหมู่อาสมพบสิทธิของพระฤาษีเขาก็ขอให้สิทธิคนหนึ่งเข้าไปเรียนแก่พระฤาษีว่าบัตรนี้เทพเจ้าได้ส่งสิทธิคนใหม่มาให้ท่านคนหนึ่งขอความกรุณาให้ท่านรับไว้เป็นสิทธิสภาพที่เขาเปลือยกายมาก็ดีคำพูดของเขาที่ว่าเทพเจ้าส่งเขามาก็ดีทำให้พระฤาษีของพวกสิทธิเข้าใจว่าเขาเป็นคนสติไม่ปกติเขาพยายามเล่าเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในที่สุด ก็ได้รับความกรุณาให้อาศัยอยู่ในบริเวณอาสมได้เสื้อผ้านุ่งหม่มได้อาหารรับประทานแต่ไม่ได้รับเข้าศึกษาวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดพระฤาษีองค์นั้นชื่อทอบคเยซึ่งความจริงไม่ใช่มายาการแต่เป็นนักอักษรศาสตร์มาตั้งสำนักอยู่โดดเดี่ยวที่นั่นเพื่อเขียนหนังสือส่วนสิทธิ์ที่อยู่ด้วยก็เป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติบ้าง ผู้ที่เล่าเรียนทางอักษรศาสตร์บ้างอาจารย์จึงไม่สามารถที่จะสอนวิชาการให้เขาอย่างที่เขาต้องการแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความพยายามเพราะเขาเชื่อว่าการที่เขามาพบอาจารย์ผู้นี้ก็โดยเทพเจ้าส่งมาถึงอย่างไรก็คงจะประสบความสาเร็จจากอาจารย์ผู้นี้เรื่องที่อาจารย์บอกว่าไม่มีความรู้จะสอนให้ในทางที่ศิษย์นั้นต้องการนั้นเป็นวิธีที่อาจารย์ในที่เบตชอบพูดอยู่เสมอและศิษย์จะต้องไม่เชื่อคาพูดอันนั้น สิทธิ์จะต้องเชื่อว่าอาจารย์สอนได้และถ้าจะสอนให้ต่อเมื่อสิทธิ์ได้แสดงความตั้งใจอยากรู้อยากเรียนอย่างแท้จริงให้ท่านเห็นเขาพยายามอยู่ด้วยและปฏิบัติมาช้านานเมื่อขอเรียนวิชาการอาจารย์ก็ยืนยันคำอยู่อย่างเดียวว่าตัวท่านเป็นอักษ ร, รศาสตร์ท่านไม่ใช่มายาการแต่ดรจีก็ยังยืนยันเก่ตัวเองว่าถ้าเขาจะไม่ประสบความสาเร็จจากอาจารย์ผู้นี้แล้วเทพเจ้าคงจะไม่ส่งเขามา การที่เขาถูกน้ําพัดมาจนถึงนี่เขาจะต้องประสบความสาเร็จจากอาจารย์ผู้นี้เป็นแน่แท้ต่อมาอีกเป็นเวลาช้านานมีพระลามะอีกรูปหนึ่งเป็นหลานของอาจารย์ผู้นี้มาเยี่ยมอาจารย์ผู้เป็นลุงพักอยู่สองถึงสามวันก็เดินทางกลับในเวลาที่เดินทางกลับพระลามะรูปนั้นได้เรียกดอรจีไปบอกว่าท่านอาจารย์ผู้เป็นลุงสั่งให้เอาดอราจีไปด้วย เพราะในวัดที่พระลามาผู้เป็นหลานนี้อยู่มีคัมภีร์อยู่สามสิบคำพีซึ่งพระอาจารย์ผู้เป็นลุงสั่งว่าถ้าดราจีต้องการความรู้อย่างแท้จริงก็ให้ไปศึกษาและปฏิบัติตามคัมภีร์ทั้งสามสิบคำพีนั้นดรจีพยายามที่จะขัดคําสั่งอันนี้และจะไม่ยินยอมไปด้วยแต่เขาก็มาระลึกว่าพระอาจารย์จะเป็นแต่เพียงอักรษรศาสตร์จริงอย่างว่าและการที่จะสั่งให้เข้าไปอยู่ในวัดอีกวัดหนึ่ง เพื่ออ่านคัมภีสามสิบคำพีนั้นก็เท่ากับอาจารย์ผู้นี้ได้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเขาอาจจะประสบความสําเร็จด้วยการศึกษาคัมภี์ทั้งสามสิบคำพีก็ได้หรือการที่เทพเจ้าได้ส่งเขามาสู่สํานักอาจารย์ผู้นี้ก็เพื่อจะให้แนะนําเรื่องคัมภีสามสิบคำพีนั้นก็ได้ถ้าเขาได้ประสบความสําเร็จจากคัมภีสามสิบคำพีนั้นก็จะได้ชื่อว่าเขาประสบความสําเร็จจากอาจารย์ผู้นี้เหมือนกันเขาจึงตกลงเดินทางไปกับพระลามะผู้เป็นหลานนั้น วัดที่พระลามะนั้นพาเข้าไปอยู่ห่างไกลจากอาสมของอาจารย์ผู้นั้นมากและเมื่อไปถึงพระลามะผู้เป็นหลานก็จัดการให้ที่อยู่แก่เขาและนำคำพีสาสิบคำพีมาให้เขาได้ศึกษาคำพีนั้นอย่างเข้มงวดกวดขันเหมือนหนึ่งจะฝังตัวเองอยู่ในคำพีเหล่านั้นอันที่จริงก็เป็นคำพีที่ดีที่สุดบอกวิธีการทุกๆอย่างไวให้ใช้เป็นหลักฝึกหัดปฏิบัติได้เขาได้ทาการฝึกหัดปฏิบัติด้วยตนเอง รักษาตัวอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในวัดภายในห้องทำบริกรรมตามแบบฝึกหัดและวิธีการทุกอย่างที่ปรากฏในคำพีวันเดือนล่วงไปตลอดถึงปีครั้งหนึ่งในขณะที่เขานั่งบริกรรมเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองลอยออกไปจากหน้าต่างไปสู่สำนักอาจารย์ที่แนะนำให้เขามาอ่านคำพีนั้นและอาจารย์ได้บอกเขาว่าเขาได้ฝึกหัดถึงขั้นสาเร็จแล้วต่อจากนี้ เขาสามารถทำอะไรอะ ไ, รได้อย่างมายาการคนสำคัญคนหนึ่งภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความฝันแต่เป็นความเห็นความรู้สึกอย่างแท้จริงเขาเชื่อว่าตัวเขาได้ลอยมาจริงแต่ก็เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งแสดงความสำเร็จของเขาเมื่อเขาออกจากบริกรรมเขาก็ตัดผมของเขาเพื่อปล่อยให้ยาวมาหลายปีแล้วนั้นโยนเข้ากองไฟครองเพศเป็นลามะและต่อจากนั้นเขาก็ทำอะไรได้ทุกๆอย่าง เช่นการสร้างภาพปิศาจการใช้วัตถุธาตุอย่างที่มายาการผู้มีชื่อเสียงสามารถจะทำได้เรื่องของดรจีนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราอาจจะศึกษามายาศาสตร์ของทิเบตได้เป็นผลสำเร็จด้วยการฝึกฝนตนเองตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือจากตำราที่ดีโดยไม่ต้องมีอาจารย์ควบคุมสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาฝึกหัดเพราะว่าดราจีผู้นี้ไม่เคยมีอาจารย์ควบคุมเลยความสาเร็จทุกอย่างที่เขาได้รับ เป็นการฝึกฝนจากเรื่องที่ได้ยินได้ฟังและจากตำราทั้งสิน้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าเราได้พิจารณาถึงเรื่องมายาศาสตร์ในทิเบตมาอย่างละเอียดพอใช้และได้ความรู้พอสมควรสำหรับการศึกษาในด้านวิชาการจึงควรระงับเรื่องทิเบตไว้เพียงเท่านี้